ใช่วงนี้พูดถึงในเรื่องของปัญญาก็คือลักษณะของปัญญาเป็นอย่างไรกิจของปัญญาเป็นอย่างไรแล้วก็อาการปรากฏตลอดถึงเหตุใกล้เนาะทีนี้ที่พูดไปก็คือเรื่องของลักษณะของปัญญาที่บอกว่าปัญญานั้นน่ยมีสภาวธรรมหรือสภาพธรรมที่รู้แจ้งความจริงของสภาวธรรม ก็คือรู้ทั้งสภาวะลักษณะและสามัญลักษณะลักษณะของปัญญาเป็นแบบนี้คือรู้แจ้งแทงตลอดอารมณ์ตามความเป็นจริงและก็สภาวะธรรมที่รู้แจ้งตรงต่ออารมณ์ปรมัต ด, ดุดนักแม่นธนูยิงตรงเป้า ลักษณะของปัญญาจะเป็นไปด้วยอาการลักษณะแบบนี้ว่าสาภาวธรรมที่รู้แจ้งสาภาวะลักษณะและสามัญยลักษณะตามความเป็นจริงแห่งปรมฐาน ธ, ธรรมมันจะมีลักษณะสองประการของธรรมะทั้งหมดเนี่ยกตัวอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างคือเอากลุมรูปธรรมอย่างเช่นธาตุดินก็มีลักษณะเฉพาะตัวของเขาว่ามีแข็งอ่อนหนักเบาเนี้ย ธาตุไฟก็มีลักษณะเย็นร้อนธาตุลมก็มีลักษณะพยุงผักดันธาตุน้ำก็มีลักษณะไหลแล้วก็เกาะกลุ่มนี่เป็นต้นอันนี้เป็นตัวเนสเนื้อแท้ของธาตุเหล่านั้นก็คือสภาวธรรมอย่างเวทนาก็มีลักษณะที่สวยรสของอารมณ์สัญญาก็มีลักษณะจาเนี้ยภาษาก็มีลักษณะกระทบการที่จะเข้าไปรู้ลักษณะ เฉพาะตัวของเขาได้เนี่ยก็เป็นกิจของปัญญาที่เข้าไปแทงตลอดลักษณะเหล่านี้เพราะปัญญาก็จะไปรู้แจ้งสภาวะลักษณะของสภาวธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงเป็นต้นเหล่านี้อันนั้นคือคือลักษณะของปัญญาปัญญาก็จะมีอย่างยกตัวอย่างเช่นว่า อ, อ, อีกอย่างหนึ่งว่าอย่างยกตัวอย่างสติเนี่เราชอบพูดกันเยอง ลักษณะของสติคืออะไรก็คือสภาวธรรมที่ทําให้ทําที่เกิดพร้อมกำกตุลและลึกมั่นต่ออารมณ์ของสติปัฏฐานดุดแผ่นหินที่จมไม่ลอยเหมือนลูกน้ําตาอันนี้ลักษณะของสติสติเนี่ยตัวเขาเองระลึกด้วยเนื้อระลึกมั่นระลึกมั่นต่ออารมณ์นึกที่ใช้คําว่าดึงตรึงหรือจับเนี่ยลักษณะของสติระลึก มันไม่ใช่ตัวเขาละลึกอย่างเดียวนะเขาเกิดพร้อมกับเวทนาก็ให้เวทนาละลึกในเรื่องนั้นด้วยเกิดพร้อมกับสัญญาสัญญาก็ไปละลึกในเรื่องนั้นด้วยเกิดขึ้นเกิดพร้อมกับจิตจิตก็ไปตั้งมั่นละลึกในเรื่องนั้นด้วยก็แปลว่าถ้าสติไปละลึกในเรื่องอะไรธรรมะที่เกิดพร้อมกันกับเขาสภาพสภาวธรรมที่เกิดพร้อมเขาก็ไปละลึกมั่นต่ออารมณ์นั้นด้วยใช่ ระลึกแล้วก็มั่นด้วยเหมือนกับแผ่นหินที่จมดิ่งลงไม่เหมือนน้ำเต้าลอยตามน้ำมันไม่ใช่ลอยพุ่งฟางไปเรื่อยมันดิ่งลงไปเลยระลึกมั่นเลยเช่นเช่นเวลาเราจะระลึกที่ลมหายใจเข้าออกสติระลึกไม่ใช่สติอย่างเดียวครับความเพียรก็ระลึกตามสตินั้นไปด้วย สัญญาก็ระลึกตามไปด้วยเวทนาสวยลวดของอารมณ์ก็ระลึกตามไปด้วยจิตที่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ก็ไม่เลื่อนลอยไปทั้งอื่นก็ระลึกตามสติไปด้วยสติเขามีหน้าที่มีลักษณะของเขาก็คือมีลักษณะแบบนี้ฉะนั้นเวลาพูดถึงสติสติตัวเดียวเลยจริงๆไม่ใช่เลยเวลาทำงานจริงๆไม่ใช่สติตัวเดียวเพราะว่าสติจะเกิดขึ้นโดดๆไม่ได้สติเป็นองค์คุณของจิต หรือเป็นคุณภาพของจิตถ้าพูดถึงสติเนี่ยแปลว่าพูดถึงนามธรรมา ท, ทั้งหมดคือกุศ ล, ลจิตทั้งหมดดมารดากุศลจิตุบาทการเกิดขึ้นของกุศ ล, ลจิตเนี่ยมีทั้งจิตเกิดขึ้นด้วยเป็นกุศลจิตมีทั้งเวทนาเกิดขึ้นด้วยมีทั้งสัญญามีกลุ่มสังขารธรรมนแล้วก็มีจิตเกิดขึ้นสรุปก็คือานามขันสี่ ไอ้ขันสี่ขันเนี่ยมันเป็นกลุ่มนามธรรมฉะั้นเวลาสติระลึกสติก็ดึงหรือ ก, กํากับควบคุมนามธรรมา ท, ทั้ง4ี่กลุ่มเนี่ยกลุ่มรูปกลุ่มเวทนาขันสัญญาขันสังขาระขั น, ข น, ขนวิญญาณขันไอ้เวทนาขันมีลักษมีมีอย่างเดียวเช่นเวทนาที่เกิดร่วมกับ ก, กุศลตอนนั้นเป็นสมณะก็ได้เป็นอุเบกขาก็ได้สัญญาที่เกิดขึ้นก็นจํานี่ได้สองได้สาม ส่วนสติเป็นกลุ่มสังการละขันแต่ตอนนั้นมีศรัทธาด้วยมีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปมีความไม่โลภมีความไม่โกรธโอมีเยอะเลยกลุ่มทั้งผัสสเวทนาสัญญาเจตนาเอากกคตาชีวิตินทร์มณสการวิโตวิจารดาราัติโมกวิริยปิติชันทะโอเยอะเลยกลุ่มนามธรรมเหล่าเนี้ยที่เกิดร่วมกันกับสตินะก็พลอยตั้งมั่น ในอารมณ์ตามสติไปด้วยแล้วก็ระลึกอย่างมั่นคงตามสติไปด้วยถึงจะเรียกว่าเป็นสติปัฏฐานนี่มเป็นลักษณะแบบนี้นะฉะนั้นปัญญาที่ไปเห็นการทำงานของสติไปเห็นสติมีลักษณะที่ทำให้ธรรมที่เกิดพร้อมกับกระตนระลึกมั่นต่ออารมณ์ของสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับแผ่นหินที่จม เราโยนแผ่นหินไปปุ๊บเนี่ยมันจะจมดิ่งเวลาสติระลึกเรื่องอะไรมันจะปักในเรื่องนั้นมันไม่เลื่อนลอยเหมือนน้าลูกน้ําเต้าลอยตามน้ำนั่นทางสังเกตได้ถ้าสติมันทํากิตเนี่ยระลึกอะไรปึ๊กมันอยู่เรื่องนั้นเลยระลึกระลึกระลึกตึงอยู่เรื่องนั้นจับอยู่ในเรื่องนั้นใช่ไหมหรือดึงเรื่องอดีตมาก็ดึงมาจริงๆเลยพอดึงขึ้นมาปุ๊บจิตก็ต้องรับรู้เรื่องนั้นเวทนาก็เสวยในเรื่องนั้นสัญญาก็จําในเรื่องนั้น กลุ่มสังฆราชทำอื่นก็ปรุงแต่งในเรื่องนั้นเชื่อมั่นในเรื่องนั้นถ้าศรัทธาก็เชื่อมั่นในความดีนั้นๆเป็นต้นเลยในสติที่เป็นตัวนําลักษณะแบบนี้มันจะมันจะจับจับอารมณ์ไม่จับเลยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยตลอเวลาแบบนี้แล้ ล, ลึกมั่นต่อรูปนามอันเป็นที่ตั้งของสติก็คือว่าเหมือนแผ่นหินจมนะ่ยไม่ลอยเหมือนลูกน้ําเต้าเหมือนกันเวลาสติ รละลึกไปที่ผมรละลึกไปที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังเยสติก็ระลึกปึ๊กจับไปที่อารมณ์นั้นเลยนา ม, มาทำอื่นๆก็ตั้งมั่นในอารมณ์นั้นตามสติไปด้วยไม่เลื่อนลอยยมดิ่งในเรื่องนั้นระลึกเรื่องนั้นนั้นเวลาคนที่มีสติดีเวลาดูลมหายใจเข้าออกก็จะดิ่งเรื่องนั้นไม่ไปเรื่องอื่นมันจับตรึงในเรื่องนั้นถ้าเลื่อนลอยไม่ใช่สติ ไม่ใช่เลื่อนลอยเหมือนลูกน้ำเต้าลอยตามน้ำไปอันนี้ไม่ใช่แล้วสตินี่ถือว่าเป็นเป็นกุศลจิตเนี่ยแต่เป็นกุศลธราามราามมันมีแบบาาสติที่ไม่ใช่เป็นอกุศลมุรัญญาแบบในพระสูตรมีแบบดูคนไก่ชนหรืออะไรสติคือคืออย่างนั้นเขาเรียกมิจฉาสติไอ้มิจฉาสติเนี่ยองธรรมมันได้แก่อกุศลจิตอกุศลจุรวา มันเอากลุ่มพวกที่มาทํางานแทนและไปเรียกเขาว่าสติแต่ถ้าสติจริงๆเนี่ยในภาพวิธธรรมท่านจัดเป็นกุศลจิตเป็นกลุ่มกุศลเท่านั้นแต่พอระลึกที่เป็นมิจฉาสติเนี่ยมันกลุ่มนามธรรมา ท, ที่เป็นอกุศลเช่นการคิดที่วิตกมาทําหน้าที่แทนเนี่ยพวกไปดูไก่ว่าชอบใจเป็นการมาวิตกเห็นอีตัวหนึ่งมันถูกทําลายเป็นพยาบาทวิตกตึกคิดไปทต็ แล้วก็เป็นเป็นวิหิงสาวิตกคิดให้มันวิบัติใหไก่ตัวหนึ่งมันวิบัติใหไก่ตัวหนึ่งมันชนะไอการไปตึกไปคิดในเรื่องแบบนี้แล้วอกุศลมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยภาษาของพระสูตรเรียกมิจฉาสติแต่จริงๆแล้วไม่ใช่สติเจตสิกแต่เป็นกลุ่มอากุศลจิตตุบ า, บาทที่มีกลุ่มวิตกกลุ่มวิตกกลุ่มราคะโทสะโมหะ ที่มันเกิดร่วมกันแล้วก็ไปคิดในเรื่องนั้นอยู่แล้วนในนั้นมีสมาธิไหมมีเป็นมิจฉาสมาธิตักมั่นในการเห็นในกรณีความชั่วเกิดขึ้นเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิวิตกก็เป็นมิจฉาวิสติก็เป็นมิจฉาสติความเห็นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิความเพียนก็เพียนก็เป็นมิจฉาวายามะสมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิ มันเป็นอกักขศดนะเป็นไปลักษณะแบบนั้นนี่คือจุดตา่างเป็นอย่างนี้พอมองเห็ยนไหมนี่สติการที่ปัญญาเข้าไปเห็นแบบนี้นี่แหละนี่คือปัญญารู้จากลักษณะของสติทีนี้อีกในหนึ่งก็คือสภาวะธรรมที่ไม่ให้อารมณ์คือรูปนามนั่นเน่เป็นต้นเหล่านั้นอันเป็นที่ตั้งของสติลอยดุดลูกน้ำเต้า สภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์ถ้าสติเกิดขึ้นเนี่ยจะมีความตั้งมั่นในลมและต้องเป็นกุศลละจิตเท่านั้นที่พูดในยะนี้ถ้าเป็นอกุศลละจิตอันนั้นไม่พูดถึงเขาเรียกมิจฉาสติได้อธิบายไปแล้วอันนี้พูดถึงสัมมาสติพูดเรื่องสติในกุศลละจิตเป็นสติที่พึงเจริญมิจฉาสติันั้นเป็นเป็นสิ่งที่พึงละจัดอยู่ในกลุ่ม สมุทัยยสัจจะสภาวธรรมที่ระลึกเห็นไหมที่ให้ระลึกถึงกุศลความดีต้องเป็นตัวกุศลความดีระลึกถึงสิ่งดีนี่เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็สภาพธรรมที่รักษาข้อปฏิบัติที่ดีมีประโยชน์กันไว้ตอนนั้นถ้าสติเกิดขึ้นก็จะรักษากุศลความดีไว้ไม่ให้กุศลหลุดลอยไปแล้วก็รักษาข้อปฏิบัติที่ดีๆเข้าไว้ ไม่ให้ข้อปฏิบัติที่มันไม่ดีแลวเสียหายไปยงี้เป็นต้นแล้วก็กิจของสติก็คือกำจัดความประมาทความขาดสติอันทำให้อารมณ์หายไปได้แก่การรักษาอารมณ์ไว้มั่นให้สังเกตดูแล้วเวลาดูลมหายใจเข้าออกสติเนี่ยหนึ่งรักษากุศลจิตสองรักษาอารมณ์ ไม่ให้ลมหายใจเข้าออกหลุดลอยไปจากความรู้สึกรักษาสองอย่างนี้นะไม่ใช่ว่ารักษาอารมณ์ไว้ได้แต่จิตเป็นโทสะไม่ใช่จิตเป็นโลภะไม่ใช่ที่จิตเป็นความรังเลสงสัยไม่ใช่สแสดงว่าสติไม่เกิดแล้วต้องสติ จ, จะต้องรักษากุศลจิตไว้รักษาศรัทธาไม่ให้หลุดลอยไปรักษาความเพียรไม่ให้หลุดลอยไปรักษาสมาธิไมห่หลุดลอยไป รักษาปัญญาไม่หลุดลอยไปเป็นต้นและรักษาตนเองหรือกลุ่มกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วก็รักษาอารมณ์ที่ตนเองกำลังตั้งมั่นอยู่รักษาอารมณ์เขาเรียกว่า ด, วดึงไว้ดึงอารมณ์นั้นไว้ไม่ให้อารมณ์คือลมหายใจเข้าออกหลุดลอยไปจากความรู้สึกสติเป็นแบบนี้ไนงะมันมีดึงมากับดึงไว้ใช่ถ้าดึงมาก็คือดึงเรื่องอดีตดึงมา อันเดียวกันก็คือตรึงก็คือจับจับทีนี้ให้สังเกตดูว่าเวลาสติเกิดเนี่ยอ ย, อยกตัวอย่างเช่นพยายามระลึกพยายามนึกพยายามหน่วงเนี่ยก็เรียกว่าดึงก็คือตรึงอันเดียวกันตรึงไว้หรือดึงไว้เช่นผ้าปิดไว้ที่หน้าต่างใช่ไ้มล่ะแล้วก็ตึงตึงไว้ทีนี้ กรณีที่ไม่ให้ผ้ามันหลุดลอยไปจากหน้าต่างมันเหมือนสติเวลาลมพัดเน่ยแต่นี้ไอตัวสติอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะมีไหววุดวุดวุดวุดอยู่เพราะมันไม่แนบนิดแนบสนิทถ้าจะให้แนบสนิท แ, แบบเสร็จต้องตึงเป๊ะแล้วก็ตอกกระปูปึ๊กทั้งหมดเลยลมพัดยังไงก็ไม่หวั่นไหวไอตัวแนบสนิทแล้วก็ตึงไว้อย่างมั่นคง อันนั้นเป็นกิจของสมาธิไม่ใช่กิจของสติแม้สติเนี่ยดึงไว้ตรึงจับไว้ตรึงไว้เนี่ยแต่อาการที่จะให้จิตนันแนบคิดติด ก, กับอารมณ์โดยไม่หวั่นไหวอันนั้นเป็นกิจของสมาธิเห็นไหมใหม่ๆเวลาเราจะระลึกอะไรนึกอะไรหรือดึงอะไรไว้เนี่ยสติต้องทำงานหนักต้องระลึกบ่อยๆดึงบ่อยๆดึงบ่อยๆดึงบ่อยๆ ด, groans, ดึงไว้บ่อยๆ หรือถ้าอดีตเนี่ยต้องดึงมาบ่อยๆเดี๋ยวมันหลุดไปแล้วก็ดึงไว้ไบ่อยๆไม่ใหอลมนั้นหลุดลอยไปแต่เมื่อดึงบ่อยๆบ่อยๆมากขึ้นนักเข้าสมาธิก็เริ่มแนบชิดพอแนบชิดมากขึ้นมากขึ้นสติไม่ต้องทํางานหนักแล้วพอสมาธิเด่นเด่นเดเด่นขึ้ น, นมาก็ตรึงเป๊ะกับอารมณ์นั้นไวเลยไม่หลุดลอยไปเลยอันนี้แปลว่าสติมาอยู่เบื้องหลังได้แล้วเป็นกีิจของสมาธิอย่างนี้เป็นต้นเขาทํางานคู่กันอย่างนี้ แล้วก็สกภาพทิรักษาจิตและรักษาอารมณ์รักษากุศลจิตไว้เนี่ยนะเป็นอาการปรากฏมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีความจำที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้หรือมีกายเวทนาจิตและธรรมะเป็นเหตุใกล้ของสตินี้เป็นต้นฉะนั้นการที่ปัญญาเกิดขึ้นนะครับปัญญาไปรู้สภาวธรรมเร เข้าไปรู้ลักษณะของสติกิจของสติอาการปรากฏของสติและเหตุใกล้ของสติทั้งเกตตัวเดวคนที่ระลึกอะไรได้เพราะมีความจำที่มั่นคงสามารถไปดึงเรื่องอดีตมาก็ได้ดึงอนาคตมาก็ได้หรือถ้าอารมณ์ปัจจุบันก็ดึงไว้ไม่ให้อารมณ์นั้นหลุดลอยไปจความรู้สึกนี่แต่ความจำที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้ของสติ แล้วก็กายเวทนาจิตและธรรมะก็เป็นเหตุใกล้ของสติกายเช่นลมหายใจเข้าแล้วออกเป็นเหตุใกล้ทําให้สติเกิดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเหล่านี้กายญานุปัสสนาเจเวทนาจิตาและธรรมะทั้งหลายเป็นเหตุใกล้ของสติทั้งหมดพอมองเห็นไหมที่เป็นไปลักษณะแบบนี้ทีนี้ที่จะพูดตรงนี้จริงๆ จ, จ, จะพูดเรื่องปัญญาต้องการให้รู้ว่าปัญญาเกิดขึ้น ที่สามารถไปรู้ลักษณะเฉพาะตัวเนี่ยหรือไปรู้สภาวะลักษณะก็คือไปรู้ลักษณะของสติกิจของสติอาการปรากฏของสติเกิดผลแล้วก็เหตุกลายอย่างนี้เป็นต้นแค่นั้นการที่เข้าไปรู้อย่างนี้ได้เนี่ยนั่นคือสตินะอย่างนี้พอมองเห็นไหมทีนี้ไอ้ตัวปัญญาเนี่ยการที่ปัญญาเกิดขึ้นนี่แหละ เพราะสามารถรู้แจ้งแทงตลอดอารมณ์ของปร ม, ธธมัตตธรรมตามความเป็นจริงดุดนักธนูยิงตรงเป้าที่เคยบอกไว้ฉะนั้นการที่เข้าไปรู้ลักษณะเฉพาะตัวของสภาวธรรมและเข้าไปรู้สามั ญ, ญลักษณะคืออ น, นิี้จังทุกขงังนาอันนี้เป็นกิจของปัญญาหมดเลยเนะเป็นเรื่องของปัญญาทีนีก้การให้สังเกตดูว่า การที่จะไปรู้สิ่งเหล่านี้ต้องมาจากการฟังให้เข้าใจก่อนกระบวนการที่ฟังสุตตพูดเมื่อวานนี้ถ้าขาดการฟังแล้วรู้เองไม่ได้เลยนะไม่มีทางรู้เองได้เลยแต่การฟังอย่างเดียวยังไม่พอจากการฟังที่สามารถย่างลงสู่การขบคิดวิจัยแยกแยะจนเข้าไปถึงจินตามญยปัญญาใช้ทั้งสุตตและจินตเป็นฐาน เข้าสู่การประจักษ์แจ้งเมืาเลยนั่นแหละจริงจริงหมดนาทีแล้วประจักษ์แจ้งก็ยังเป็นไปตามลําดับนะประจักษ์แจ้งระดับไหนประจักษ์แจ้งระดับเห็นรูกประธรรมเห็นกายเห็นรูกประธรรมตามความเป็นจริงเห็นเวรนาตามความเป็นจริงเห็นสัญญาเห็นสังขารวิญญาณเห็นกระแสชีวิตตามความเป็นจริงทีนี้เห็นตามความเป็นจริงก็ยกเห็นเห็นแยกแยกจนสามารถสัตว์บุคคล ถ่ายถอนความเป็นสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนเป็นต้นได้มีลักษณะแบบนี้ฉะนั้นเวลาที่พูดถึงในเรื่องของปัญญาเนี่ยกำจัดความมืดคืออวิชชาทำแสงสว่างคือวิ ช, ชาหรือปัญญาให้เกิดขึ้นใช่แล้วก็ทำให้แสงสว่างคือญาณนปรากฏทีนี้ตรงนี้แหละที่ว่าปัญญาเกิดขึ้นก็ทำอริยสัจสี่ ให้ปรากฏขึ้นมาปัญญามีลักษณะสองอารมณ์ก็คือหมายความว่าทำลักษณะของสภาวธรรมทั้งหลายให้สว่างเจิดจ้าที่อุปมาเหมือนกับอยู่ในที่มืดถ้าจุดประทีปปุ๊บแสงสว่างมันเกิดขึ้นมามันมองเห็นอะไรได้ชัดพอปัญญาเกิดขึ้นมันมีอาการอย่างนั้นมันจะมองเห็นอะไรได้ชัดและก็ตรงตามความเป็นจริงด้วย ไม่ใช่ชัดแบบคิดเอาเดาเอาหรือคาดคะเนเดาแต่มันเห็นสว่างโล่งจริงๆเลยอย่างนี้เป็นต้นลักษณะปัญญาเป็นแบบนั้นทีนี้พูดถึงในเรื่องของปัญญาต่อเนี่ยก็มาพูดถึงในเรื่องกัาว่าพูดถึงเรื่องใตรลักพอเห็นปัญญาไปเห็นลักษณะเฉพาะตัวแล้วเนี่ยปัญญาที่ต้องพัฒนาต่อ ไม่ใช่แค่นั้นต้องไปพัฒนาเข้าไปเห็นรูปธรรมและนามธรรมหรือสังขารธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามสามัญยลักษณะก็คือลักษณะเฉพาะตัวมันจะมีลักษณะเฉพาะตัวกับสามัญยลักษณะลักษณะที่สามัญโดยทั่วไปยกตัวอย่างนะเช่นโทสะมีลักษณะเฉพาะตัวคือปุถุสลายอารมณ์โลภะธรมรมลักษณะเฉพาะตัวของเขาก็คือทยานอยากในการมาคุณอารมณ์ ปัญญาก็มีลักษณะเฉพาะตัวคือแทงตลอดสภาวว่าลักษณะและสามัญยลักษณะตามความเป็นจริงสติลักษณะตัวก็คือระลึกได้ตามระลึกได้ภาษาลักษณะเฉพาะตัวก็คือกรทบอารมณ์ไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่เหมือนกันเลยนะสภาวธรรมแต่ละ ต, ตัวแต่ละตัวไม่เหมือนกันนี่คือเรียกลักษณะเฉพาะตัวเหมือนท่านวันมีลักษณะเฉพาะตัวอย่างหนึง่งตรงนะั้ลักษณะเฉพาะตัวอย่างหนึง่งท่านยิ้มลักษณะเฉพาะเนี่ยไม่เหมือนกันผมมีลักษณะเฉพาะตัวอย่างหนึ่งเนี่ย เนี่ยอย่างนี้ลักษณะเฉพาะตัวภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกัตตาชีวิติจีหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารปัญญาเนี่ยขันห้ามีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงสามั ญ, ญลักษณะเหมือนกันไหมไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกเหมือนกันเป็นอนัตตาเหมือนกนอันนี่คือลักษณะเป็นอันนี้สามั ญ, ญลักษณะอันนี้คือไตรลักษณ์เฉนั้นปัญญาเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะไปรู้ไตรลักษณ์เนี่ย เลยทีเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องไปรู้ลักษณะเฉพาะตัวก่อนไม่ใช่อยู่ๆก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไ ม, ไม่เทียงเป็นทุกข์เนี่ย ม, มันมั่วตรงนี้แหละอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็เป็นทุกข์อะไรเป็นอนัตตาเนี่ยมันไม่ใช่เขาต้องแยกก่อนว่าไอ้ที่ไม่เที่ยงเนี่ยรู้จักลักษณะเฉพาะตัวเขาหรือยังเขาให้แยกแยะ ก, ก่อน พัสสะเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้เจตนาเป็นอย่างนี้ลักษณะเฉพาะตัวของเขากิจเฉพาะตัวของเขาอาการปรากฏเฉพาะตัวเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็รู้เฉพาะตัวปัญญาตรงนี้ต้องรู้ตรงนี้ก่อนแยกแยะเห็นก่อนจึงเมื่อแยกแยะอย่างนี้ตามตามตามสภาวธรรมนั้นๆไม่ไะคิดเองไม่ได้ปรุงแต่งเองลักษณะเฉพาะตัวก็มีเฉพาะลักษณะเฉพาะตัวเขาจริง ใครไปเห็นก็เหมือนกันไม่จำเป็นต้องมันก็เห็นเหมือนกันหมดเช่นลักษณะของธาตุดินเนี่ยแข็งอ่อนเนี่ยเหมือนกันหมดจะรู้จักเขาหรือไม่รู้จักเขาก็มีลักษณะแข็งอ่อนหนักเบาเหมือนกันหมดจะ่คนชาติไหนภาษาไหนเหมือนกันหมดเลยไฟเนี่ยธรรมชาติที่ร้อนเย็นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยครับแต่จะเรียกยังไงก็ว่ากันอีกทีเท่านั้นเอง อันนี้คือลักษณะเฉพาะตัวนี่คือการไปเห็นความจริงตรงนี้ก่อนระดับหนึ่งแล้วจึงยกความจริงเหล่านี้ทั้งภาษาทั้งเวทนาทั้งสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ยังไงเป็นอนัตตาอันนี้ก็เรียกทุกข์ในไตลักษณ์ทุกข์ในไตลักษณ์อย่างชาติทุกข์เนี่ยทุกข์คือการเกิดใช่ไหมที่พูดไปแล้วชาราทุกข์ทุกข์คือความแก่ พยาธิทุกข์ทุกข์คือความเก็บไข่มรณะทุกข์คือทุกข์ความตายอันนี้เป็นทุกข์ในอริยสัจไม่ใช่ทุกข์ในไตรลักษณ์จำไว้แล้วบางคนแยกไม่ออกนะอะไรเป็นทุกข์ในอริยสัจแต่ไหนเป็นทุกข์ในไตรลักษณ์ใแยกไม่ออกทุกข์ในอริยสัจเนี่ยควรรอบรู้ควรกําหนดรู้ควรรู้จักควรจับตัวมันให้ได้ส่วนทุกข์ในไตรลักษณ์เนี่ยควเห็น ความจริงของเขาว่ามันเป็นของเขาอย่างนี้เองเราจะรู้หรือไม่รู้เหมือนก็เป็นทั้งมันอยูน่นี้ฉะนั้นอ น, นิจจารักษณะก็คืออาการที่ไม่เที่ยงไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนตั้งอยู่ตลอดการไม่ได้เนี่ยโดยมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็ดับไปในที่สุดเนี่ยแปรปรวนชั่วคราวโดยเป็นปฏิปักษ์ต่อความเที่ยงอย่างนี้ก็เรียกว่าอ น, นิจจาักษณะคือลักษณะที่ไม่เที่ยง เกิดดับสืบต่ออยู่ตรอดเวลาทั้งรูปธรรมและนามธรรมอันนี้จตาสองทุกขลักษณะอาการที่ทนอยู่ไม่ได้จำต้องเสื่อมสลายสิ้นไปโดยมีความบีบคั้นอยู่เสมอมีความกดดันบีบคั้นอยู่เสมอทนได้ยากน่แหละโดยเป็นที่ตั้งแห่งทุกโดยเป็นปฏิปักษ์ต่อความสุข ก็ว่าได้ใช่ไหมไอ้ทุกขลักษณะในลักษณะที่เป็นทุกข์เนี่ยคําว่าเบียดเบียนบีบคั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใจเราเป็นทุกข์นะไอ้ทุกขลักษณะเนี่ยมันมีขึ้นมันอยู่ตลอดเวลานะครับมันมีมันอยู่ตลอดเวลานะสภาพที่มันทนอยู่ไม่ได้มันถูกความเกิดและความดับเนี่ยเบียดเบียนบีบคั้นทําให้ทําให้ต้องมีการบุบสลายไป บุบสลายไปแล้วก็มาลายไปอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นที่มันอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของว่าอุยทุกใจแล้วเกินทกกายแล้วเกินไม่ใช่แต่ทุกกายทุกใจแต่แมันเป็นหนึ่งในทุกอริยสัตว์แต่ทกคลักษณะอันนี้ยมันเป็นสภาวะที่มันทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้ <c oughs> ก็หมายความว่ามันเสื่อมสลายสิ้นไปโดยถูกบีบคั้น ส่วนอนัตตลักษณะก็คือมีอาการที่ว่างเปล่าจากตัวตนเป็นไปตามเหตุปัใจจัยใช่ไหมบังคับบัญชาไม่ได้จะให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้โดยความเป็นของว่างเปล่าโดยความเป็นไม่มีเจ้าของไม่มีสิ่งอะไรที่จะพึงไปตามความปรารถนาได้เป็นปฏิปักษ์ต่ออัตตาด้วยทีนี้ในลักษณะที่เราจะต้องทาความเข้าใจก็คืออย่างเช่นอนิจโตเนี่ยความไม่เที่ยง หรือว่าอัดทว่าโตก็ได้โดยความไม่ยั่งยืนก็จะเป็นอาการของอ น, นิจจาักษนามนเลยนะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มีแก่นสารโดยความเป็นของหวั่นไหวโดยความเป็นของแตกดับโดยความเป็นของเปลี่ยนแปลงกลับกรอกโดยความเป็นเป็นไปเพื่อดับว่าไงเดอโดยความเป็นของที่ต้องปรุงแต่งเนืองเนืองโดยความ ทำลายผูกพังและแตกกระจัดกระจายเสมอเนี่ยอาการแบบนี้เขาเรียกว่าอันนี้จะลักษณะอะไรที่เป็นแบบนี้ยรูปธรรมนามธรรมเป็นแบบนี้หมดรูปธรรมและนามธรรมเป็นแบบนี้หมดถ้าทุกข์อ่ะโดยเป็นทุกข์คือสภาพพิถนด้ยากโดยความเป็นของน่ากลัวพอไปเห็นแล้วจะน่ากลัวทันทีแล้วก็โดยความเป็นของที่จริงคำว่าอิติโตะสั์นั้นก็แปลว่าจันไหลสับพีติโยะ อิติศัพน์นั้ น, นอะไรคือจันไอ่ะขันห้าเนี่เป็นเสนียดจันไรเพราะมันเป็นของชั่วร้ายอุปตัตว์ตเป็นอันตรายด้วยละทมทุกอุบาทด้วยอุปัตวะเป็นที่ตั้งของภัยมากมายเป็นอุปสรรคขัดข้องขัดขวางด้วยแล้เสียดแทงตลอดเวลาด้วยชาติทุกชาทกาทุกพยาทิทุกมันเสียดแทงตลอดเวลาเป็นดุดหัวฝี หัวฝีก็คือว่ามันบวมขึ้นมาแล้วมันก็แตกมันก็แตกของไม่สะอาดราคาโทรศัพท์โมาไหลอยู่ตลอดเวลานี่เป็นต้นโดยความไปดุดเหมือนกับลูกศรปักเข้าไปเนี่ยแล้วมันถอดยากกิเลสทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเน่แล้วก็โดยความเป็นสิ่งหาคุณไม่ได้ มันไม่มีคุณความดีอยู่เลยในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายเหล่าเนี้ยแล้วก็โดยความเป็นสิ่งที่พ้นจากการต้านทานโดยความเป็นสิ่งที่พ้นจากการป้องกันโดยความเป็นสิ่งที่พึ่งไม่ได้ฉะนั้นเราจะหวังพึ่งรูปปัจฉันเวทนาสัญญาสังขารวิญญ า, ญญาณญญาไม่ได้ไม่ใช่ที่พึง่งไม่ใช่สารณะมันพึ่งไม่ได้เลยมันก็ตัวมันเองมันแตกดับตลอดเวลาเบียดเบียนบีบคั้นตลอดเวลาทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อย่างเนี้ยมันจะพึ่งได้ยังไง ไม่ว่าขันทุกขันขันทุกภพไม่ว่าในอัตภาพใดก็แล้วแต่มันก็มีสภาพทนอยู่ในสภาพเดิมนี้ไม่ได้ด้วยเป็นมูลแห่งทุกเป็นเพชฌฆาตด้วยเป็นดุจเพชฌฆาตเป็นผู้ฆ่ารูปขันมันฆ่าตัวมันเองก็ฆ่าขันอื่นด้วยเวทนาขันฆ่าตัวมันเองก็ฆ่าขันอื่นด้วยสัญญาขันฆ่าตัวมันเองก็ฆ่าขันอื่นด้วยสัญญาขันก็ฆ่าตัวมันเองก็ฆ่าขันอื่นด้วยสังขารขันวิญญาณขันฆ่าตัวมันเองก็ฆ่าขันอื่นด้วย พอมแตกดับขันอื่นก็แตกดับวิบัติหมดตัวมันเองก็ทําลายตัวมันเองอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนตั้งระเบิดเวลานะครับตัวมันเองระเบิดตัวมันเองด้วยแล้วมันก็ทําลายตัวอื่นด้วยมันเป็นอย่างนั้นเลยครับขันห่านเป็นแบบนี้กระแสชีวิตมันเป็นแบบนี้มันไม่เคยมีมีความทนอยู่ได้เลยแม้ขณะหนึ่งแต่มันไม่เห็นมันไม่ได้พัฒนาปัญญาไปเห็นความจริงในข้อนี้นี่มันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นทุกข์เป็นเพชฌฆาต โดยความเป็นไปเพื่อกามาสวะภวาสวะทิฏฐสวะกิเลสทั้งหลายก็กุ้มรุมตลอดหลงมืดมวนอยู่ตลอดเป็นเหยื่อแห่งมารด้วยเป็นเหยื่อของมารก็คือมัจจุมาลเป็นเหยื่อของความตายด้วยเป็นเหยื่อของกิเลสสมารด้วยราคะโทสะโมหะกุ้มรุมกดดันบีบคั้นแล้วก็คอนโทนบังครับเป็นเหยื่อของอภิสังขารามทำกรรมไปได้ขันห้าก็ะทำกรรมเพื่อไปได้ เพอไปเกิดใหม่เป็นเหยื่อของกิเลสสมานขันธามานิเยรูปขันเวทนาเป็นเหยื่อแล้วก็เป็นเหยื่อของเทพุทธมานดโดนหลอกเขาก็เอาสีเสียงกลิ่นรดผลทตภาพมาหลอกว่าันเถอะเนี่ยเป็นเหยื่อของมารอย่างนี้โดยความเป็นสิ่งให้เกิดบ่อยๆให้แก่บ่อยๆให้ป่วยบ่อยๆให้โศกบ่อยๆถูกไหมพอมีขันมาแล้วก็ต้องประสบความแก่ความเกิดความเจ็บ ความโศกความลำเลย์ลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจและเป็นที่ตั้งเห็ความเศร้าหมองสังเลตอย่างนี้เป็นต้นนี่นี่คือลักษณะของทุกเห็นได้ง่ายยี่บห้าอย่างส่วนอนัตตาก็คือโดยความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนโดยความไม่ใช่เราโดยความเป็นของว่างเปล่าจากเราด้วย โดยความเป็นของว่างเปล่าไม่มีแก่นสารโดยความว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลด้วยคือเราจะไปหยิบเอาในกระแสชีวิตเนี่ยอย่างเช่นว่าผมเนี่ยในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อเนี่ยเอ็นในกระดูกเนี่ยผมคือเราเนี่ยเราไปเข้าใจไงเราคือผมผมเป็นเราเราเป็นผมเราเป็นผมผมเป็นเรา เราอยู่ในผมผมอยู่ในเราเราไปเข้าใจแบบนี้นี่เป็นสกยะติถิเห็นผิดผมเนี่ยเราไม่ได้เป็นผมผมก็ไม่ใช่เป็นเราเราก็ไม่มีอยู่ในผมผมก็ไม่ีอยู่ในเราดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาที่เป็นเส้นผมขึ้นมาก็คือธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมมันแตกดับตลอดเวลามันไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยมันไม่ได้เป็นเราเลย ตัวมันเองก็เกิดจากเหตุปัจจัยมันก็เกิดดับสืบต่อแตล่ลอดเวลามันเป็นเซลล์เชนิดเซนเชนนิดหนึ่งที่มันแตกดับอยู่ตอลอดเวลาของมันมันเกิดจากเหตุปัจจัยแบบนี้แต่เราไปเข้าใจว่ามันเป็นเราขึ้นมาใช่ไหมแท้จริงมันว่างเปล่าจากอัตตาตัวตนเลยนะแตกมนุษย์มีตัณหาบอกว่านั่นเป็นของเราเนี่ยด้วยตัณหาเราเป็นนั่นด้วยมานะ นั่นเป็นอัตราตัวตนของเราด้วยทิฏฐิใช่ไหมล่ะนั่นเป็นเราเนี่ยมันละได้ด้วยเพราะเราไม่มีสมาธิไปการตัณหาก็เลยไปเห็นว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นเราเป็นพระเราเป็นโยมเราเป็นเท่าแก่เราเป็นนั่นไปเห็นอย่างนี้มานะยกตนชูตนเปรียบเทียบตนใช่ไหมเพราะกำลังกุศลแศีลไม่ดีมันสาคัญอย่างนั้น นั่นเป็นอัตราตัวตนของเราไปสำคัญว่าเป็นอัตราแท้จริงมันไม่มีอยู่จริงมันไปยึดโดยภาพรวมรวมโดยองรวมที่มาประกอบกันขึ้นมาแล้วก็เลยไปยึดว่าเป็นอัตราเป็นตัวเป็นตนมันไม่มีอยู่จริงเลยเนี่ยความเข้าใจผิดอย่างนี้ทีนี้สิ่งที่มันปกปิดอะไรมันปกปิดอันนี้จัง ทำไมความไม่เที่ยงเขาเรียกสันติคือความสืบต่อของรูปนามที่เกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วเนี่ยจึงทําให้ไม่เห็นความเกิดขึ้นและความดับไปของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราเอาโทกเนี่ยนะจุดไฟอ่ะแล้วมาเหวี่ยงเนี่ยเราเห็นเป็นอันเดียวกันเลยนะเหวี่ยงวูบทุบทุบทุบทเนี่ยเอออย่างไฟเนี่ย กระแสไปเนี่ยแท้จริงเนี่ยมันเป็นขึ้นนะแต่เรามองเห็นเป็นอันเดียวกันเฉยแต่เนี้ยไอสันตติตัวเนี้ยมันปิดอยู่การสืบต่ออย่างรวดเร็วเนี่ยรูปประคันสืบต่ออย่างรวดเร็วความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายสืบต่ออย่างรวดเร็วความจําสืบต่ออย่างรวดเร็วสังขาระขันสืบต่ออย่างรวดเร็ววิญญาณขันสืบต่ออย่างกระแสชีวิตที่มันสืบต่ออย่างรวดเร็วเนี่ยเราไม่เห็นเงื่อนต่องมันเพราะมีสันตตินี้ปิดไว้ เพราะอะไรเพราะไม่ทำยานปัญญาให้แก่กล้าคมกล้าที่จะไปเห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้ปัญญาก็เลยไม่ไปเห็นความจริงเมื่อปัญญาไม่เห็นความจริงขึ้นมาปุ๊บมันก็เลยเห็นโดยความเป็นนิจจังไปเห็นว่ามันเที่ยงเลยไปเห็นว่ามันเที่ยงเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆที่จริงเนี่ยมันไม่มีอะไรสักตัวเลยที่มันเที่ยง มันสืบต่ออย่างรวดเร็วอันนี้บ่งบอกว่าจิตเราไม่แข็งแรงจิตไม่ตั้งมัน่นจิตไม่ใสจิตไม่สะอาดจึงไม่สามารถเป็นที่ตั้งของญาณปัญญาเข้าไปเห็นความจริงที่มันกำลังเกิดดับสืบต่อตลอดเวลาได้เห็นไหมว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ไปคิดเพื่อให้เห็นนะแต่มันต้องพัฒนาพัฒนาทำอย่างไรเนี่ย อะไรมันปิดใจอ้ไรอะไรปิดใจอยู่เออพูดมาเลยก็ถูกแต่หลักการอันแรกคืออย่างนี้ในปัจจุบันเนี่ยที่ชัดก็คือการมาฉันทะมันเป็นสนิมความกำหนัดยินดีเพื่อเพลินพยาบาทความเครีย ด, ค ว, มม ด, ดความหมดหงิดทีนามิทะความวดหูท้อท้อ แล้วก็อุทธาจกุกุจอพงสาลำคาญใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไอ้ห้าตัวเนี่ยมันก้มรุมเป็นดินพอกหางหมูอยู่ในกระบวนการความคิดอยู่ทะเลนิวรนมันเป็นสนิมท่านได้อุปมาไงว่าพรธเจ้าจะอุปมาว่าทองเนี่ยไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เพราะทองนั้นมันมีมันมีสิ่งแปดเปื้อนปอบปอมอยู่หนึ่ง เหล็กตะกัวดีบุกทองแดงแล้วก็เงินไอ้ห้าตัวเนี่ยแล้วมันมีทองอยู่ฉะนั้นทองมันเลยไม่ปรังมันเลยไม่สุกมันเลยไม่ใสมันเลยไม่สุกไม่ใสเนยถ้าตราบใดเนยถ้าตราบใด ก็เห็นแมสตรงไหนวะนี่ใ ค, ใครมีแมสไม่มีใครลงน้าใส่ไหนจะกลัวติดกลัวไม่ต้องไอทั้งมีแมสใครลงน้าใส่แมสรูวส ก, เกีเริ่มไอเยอะแมสแมสอยู่ในห้องอาจารย์นึสกสกีเริ <S <S เดี๋ยวอาจารย์ไปดูให้แป๊บหน่ พอเันมาเลยเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกด้านเอออย่างเงี้ยสบายเลย เ่มีใครไออักไมไม่มีนะ อ, อ, อ, อ๋อเดี๋ยวต้องเอายานี้ให้ฉันกันโอ้ช่วงนี้เป็นหวัดกันรือเรือหลังมากพอไม่อ่ะแต่นี้พูดถึงไหนละเออถึงอันนี้จะลักษณะเนาะไอตัวสัน ต, ติเนี่ยภาวะที่มันสืบต่อเนี่ยคือไอสันตติคณะเนี่ยมันเออมันมัน มันเห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ใช่ไอตัวสัน ต, ติเนี่ยมันมันเกิดสืบต่อเร็วมากครับเร็วมากกระแสชีวิตเนี่ยมันชั่วขณะหนึ่งหนึ่งนะครับเช่นจักขคุทวารวิถีจิตเช่นการเห็นแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหกระบวนการเกิดขึ้นเกิดดับสืบต่อรวดเร็วมากเลยนะจักขุประสาทรูปารมณ์ ทีนี้ในนามธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าพูดตามภาษาวิชาการก็พูดตั้งแต่อตีตัปภวังภวังกัจจรณะภวังคุปเชทะปัญจทวารวัชนะจากคูยานสัมปติชนะสันติระนาโวทพนาโชนาโชยนตถาธนั่เนี่ยมันจะเป็นทั้งวันอย่างเงี้ยเกิดดับทื่อๆสืบต่อเร็วมากเห็นแต่ละครั้งเนี่ยนั่นคือกระแสชีวิตหมดสิทธิเห็นเลยครับหมดสิทธิ์เห็นเลยอย่างที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยวา ในมนทินอุปกิเล์ของทองมนทินของทองสิ่งที่ทําให้ทองเศร้าหมองก็มีทั้งเหล็กทั้งตะกั่วทั้งดีบุกทั้งทองแดงแล้วก็เงินแล้วก็ทองมันผสมกันอยู่อย่างนี้แล้วการที่เราอยากจะได้ทองแท้ๆขึ้นมาเนี่ยเพื่อเอามาทําแหวนทำสร้อยทำนาฬิกาเขาทำยังไง เขาก็ต้องสมัยโบราณจริงๆก็คือว่าเขาต้องหลอมแล้วก็มาพ้นใช้ไฟสูบไฟพ่นปูดปูดให้ไฟลุกไหมฟูบฟูบฟูบเอาพวกเหล็กออกตะกั่วออกดีบุกออกทองแดงออกเอาเงินออกให้เหลือไปทองล้วนๆแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยท่านในโงรงหลที่เขาขุดทองขุดไหลทั้งหลายในแร่ทองคาหรือรเหมืองทองเนี่ยเขาก็ไปสกัด เอาดินเอาเอะไรต่างหยาบออกทั้งหมดโอ้โหยน้ำหนักเป็นตันๆเลยครับเป็นก้อนเลยเขาผ น, นึกออกมาได้เงี้ยใส่รถบรรทุกแล้วก็วิ่งลงท่าเรือนู้นส่งไปที่สิงคโปร์สิงคโปร์ก็มีน้ําเครื่องสกัดอีกทีหนึ่งสกัดุตุตุตุสกัดๆๆๆๆก ด, ๆๆๆดีบุออกออกแร่ออกตะกัวออกเอาเงินออกพั้ทองแดงออกเหล็กออกให้เหลือแต่ทองล้วน พอได้แท่งทองล้วนๆแล้วสุกปรังตรงนี้เนี่ยจึงเอามาทำสร้อยทำแหวนทำนาฬิกาแล้วก็ทำบุษราคำทำสุวนณมาราอะไรว่าไปถึงเครื่องประดับมากมายแหวนฉันใดตอนเนี้ยจิตของหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถจะเดินยานปัญญาให้เกิดขึ้นได้ครับมันได้แต่หยบหยาวิธีการตรง น, นี้ก็คือฝึกครับที่เราต้องมาฝึกกันเนี่ย ฝึกในการที่ให้กุศลและจิตเกิดปกติเนี่ยกุศลและจิตเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ลักษณะของกุศลเป็นอย่างนี้กุศลลักษณะจิตที่ไม่มีโทษจิตที่ไม่มีโรคจิตที่มมีของเสียจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องพองแผ้วจิตที่ไม่มีมนลทิ้นจิตที่มีความตั้งมั่นแข็งแรงจิตไม่ป่วยไข้ทั้งหลายเหล่านี้เป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่สงบเขาเรียกว่า กายตัวจิตใจที่สงบไม่มีบาปอกุศลธรรมก็ชั่วร้ายทั้งหลายไปกุ้งลุงเขาเรียกว่ากายยปสติจิตปัสเสียเป็นจิตที่เบาไม่หนักด้วยอํานาจของอกุศลเช่นทีนะมีท่าเป็นต้นหดหูทอ่อถอยเป็นต้นหรือทิศถีเป็นต้นทำให้มันหนักทําให้จิตมันเบาจากกิเลส่มั้นก็กายยลหุต า, าจิตตารหุตาเป็นต้นนี้แล้วก็เป็นจิตที่ควร ก็คือคล่องแคล่วควรเหมาะครวรต่อการงานอันเป็นกุศลแล้วก็เป็นจิตที่คล่องแคล่วเป็นจิตที่ตรงดาเนินไปตามเส้นทางของมัมชฌิมาปฏิฎกานอันยิ่งเป็นต้นคุณภาพของจิตที่เป็นกุศ ล, ลจิตเหล่านี้ทําให้มันเกิดขึ้นจากอะไรมากํากับพฤติกรรมมีเจตนาในการที่กํากับพฤติกรรมทางกายทางวาจาและก็อาชีพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามไม่เกเรนกลลไม่กระจัดกระจายไม่สซ่านไปด้วยความเป็นผู้ทุศีด ตอนนั้นภาวะกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดกําจัดความทุศีนได้แล้วผลปรากฏออกมากายสะอาดแล้วพฤติกรรมทางกายสะอาดพฤติกรรมทางวาจาสะอาดอาชีพบริสุทธิ์จิตก็เริ่มเป็นสุดเฉลีขึ้นมามาจากอะไรหนึ่งเชื่อมัน่นความละอายต่อบาปเป็นกลัวต่อบาปมาจากตัวความเพียรพยายามมาจากเจตนาที่เป็นกุศลอะไรต่อแล้วแต่กระตุน้นเตือนเห็นไหมในตัวนี้มันสกัดวิธีสกัดกิเลสหยบหยาบออกไป ก็เหมือนเราไปในเนี้ยเรามันมีทองอยู่ครับเราก็ต้องไปสกัดหินออกสกัดดินออกสะอัดหยาบๆออกให้หมดจนเห็นจนได้ได้กลุ่มทองออกมาแล้วได้มาแล้วนะครับนี่เหมือนกันปุถุชนที่มืดบอดปุถุชนที่มืดบอดนี่ครับมันก็มั่วบาปก็ไม่รู้บุญก็ไม่รู้ใช่ไหมครับก็ใช้ตัวกุศลศีลไปสกัด สกัดสกัดแยกแยะออกมาแยกออกม า, แ, กออกมาแล้วก็มาอยู่เนี่ยมาเป็นนักบวชกันบ้างมาเป็นพู้ถบริษัทบ้างให้ตั้งมั่นอยู่กกายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมหวังกันเถอะให้เป็นกุศลครับนั่นเริ่มสกัดแล้วนี่สกัดออกมาแล้วได้ได้ได้ได้ทั้งเหล็กดีบุตกตะกวัวทองแดงเงินแล้วก็ทองนะครับแต่มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วมันเห็นทองอยู่ในนี้อยู่นะครับ แต่นี่สกัดออกมาแล้วโอเคถือว่าดีระดับหนึ่งแล้วนะครับที่มันไม่ไปมั่วอยู่กับดินกับหินกับปูนกับอีกกับิฐกับอะไรเนี่ยนะครับจากภูเขา่สกัดออกมาได้โอ้โหได้ได้แท่งมาเลยแต่อยู่นี่นี้แหละทองอยู่ในนี้แหละสกัดครั้งแรกก็คือใช้สีเป็นตัวสกัดทึ่ทึ่ทสกัดออกไปครับสกัดออกให้บนเลยพมองเห็นไหมนี่สกัดครั้งที่หนึ่งใช้เจตนาศีนเจตสิกสี ใช้ปาฏิโมกข์สังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลอาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลปัจจะยสนิสิตาศีลว่าไปจะศรัทธาทําให้ปาฏิโมกข์แข็งแรงสติทำให้ปิดบาปทั้งทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจความเพียรทําให้การเลี้ยงชีพที่ถูกต้องเป็นความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาวิจัยแยกแยะในการใช้สอยปัจจะศีนั่นเป็นวิธีการสกัดกิเลสราคาโทสาม وها ไม่ไ ห, หลเข้าสู่จิตหยิบเบียบหยิบหยา บ, ย บ, ยบ นี่ได้แล้วได้ทองพวกเราได้มากันแล้วคนละแท่งตึดตืดตืดได้มาแล้วพอแค่นั้นไหมไม่ต้องสกัดต่อมนนขั้นตอนต่อไปมันสกัดต่อ น, นี้มีสติสัพพัญญะแล้วในการยืนในการเดินในการนั่งที่ทํากิจกรรมนี่แหละนั่นแหละวิธีการก็คือเราจะขจัดกระท้ออะไรออกกระท้อไอ้ตัวเหล็กออกธาตุเหล็กออกโหดีบุก ตะกลัวทองแดงเงินเอาออกส ก, กิดออกตลอดฉะนั้นที่กิจกรรมที่เชิงละเอียดนะครับในเชิงละเอียดที่มีสติสัพพัญญาในการทำกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอา้าวพออยู่ในอยาบทนั่งดูเชิงลึกและแต่เนี้ยดูเราไม่ใหญ่เข้าออกสมมติฉะนั้นในขณะที่ใช้สติระลึกหรือ จับอยู่ที่ล้มให้ใจเข้าออกสมาธิก็แนบชิดความเพียรก็สร้างสรรปัญญาก็รู้ชัดจัดเก็บกุ้ยขัดดอนนั่นคือการวิจัยนั่นคือการสกัดดีบุกเหล็กตะกัวทองแดงเงินออกสกัดตลอดสกัดตลอดนี่สกัดที่มันกุ้มรุมมนกลามวัฉันทะความติดใจไยกระสันพยาบาทความหมุดหงิดเล็กๆลนด้อยสกิดออกสกัดออก ทีนั้มีท่าความหดหู่ท้อถอยความเซ็งเบื่อไม่อยากระพฤติปฏิบัติไม่อยากขวนขวายอุทาจักกุจจัฟุ้งซ่านลาคาญใจวิจิตรฉาความลังเลสงสยัยสูกสกัดสกัดสกัดจนจิตจนสกัดพวกเหล็กออกได้ดีบุกออกมาเป็นต้นเหมือนเนะี่ยจนทองเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เหมือนกับจิตเริ่มใสขึ้นเอี่ยมอ่องมากขึ้น เพราะว่ากามาฉันท่ถูกสลัดกัดออกพยาบาทถูกสกัดออกทีน้ำมิท่ถูกสกัดออกอุท ธ, ธิกุกรุกจะถูกสกัดออกวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยกิเลส ถ, ถูกสกัดออกตลอดเลยอะไรเป็นตัวสกัดตัวศรัทธาที่เกิดขึ้นกําจัดความความไม่มีศรัทธาความเพียรที่เกิดขึ้นกําจัดโกสัจฉะอกุศลกลุ่มกลุ่มทีนมิท่ สติที่เกิดขึ้นกําจัดมุตตัสติคือการหลงลืมนั่นแหละคือไอ้ตัวตัวสนิมดังนั้นสนิมของกายใจตัวสมาธิเกิดขึ้นกําจัดความฟุ้งซ่านลาคาดใจปัญญาเกิดขึ้นกําจัดความลังเลยสงสัยเนี่ยระดับสมาธิมันกําจัดกําจัดไปเรื่อยมองเห็นเงี้ยพอกลุ่มพอหลังจิตได้อุปจารลสมาธิปุ๊บนิวรณ์ก็ถูกสงบแล้วระดับหนึ่งแล้ว ไม่มั่นใจสกัดให้ละเอียดเอี่ยมออกมากกว่านั้นอีกสกัดจนเป็นทองใสขึ้นมาเลยเนี่ยขึ้นระดับปฐมฌานตัง้งแต่ฌานเป็นต้นเลยนี่ได้แล้วแปลว่าสกัดได้แต่เนื้อทองล้วนได้แต่สภาพกุศลและจิตจริงๆอกุศลไม่กุ้มลุมเลยเนี่ยได้สัทธาสติอิริโอตปัได้กลุ่มกุศลและจิตได้จิตที่เป็นสมาธิ ที่บอกว่าจิตเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นจิตไม่หวั่นไหวจิตมีพลังจิตใสสะอาดแล้วก็ไม่กระเพื่อมแล้วไม่เหมือนถูกลบพัดต้องใช่ไหเหมือนที่บอกว่าจิตที่มีการมาฉันทะกุ้มรุมจิตที่มีการมฉันทะกุ้มรุมเนี่ยก็เป็นจิตที่ไม่สะอาดเป็นจิตที่ไม่สะอาด จิตที่มีพยาบาทก้มรุมคือจิตเหล่านี้มีปัญหาหมดเลยนะจิตที่มีการมาฉันทะ เ, เหมือนถ้าเรามีภาชนะใส่น้ำภาชนะใส่น้ำถ้าน้ามันเดือดแล้วไปตั้งไว้บนเตาเป็นไงมันก็เดือดแล้วเรามองเงาหน้าเราชัดไหมเนี่ยจิตที่มีพยาบาทเข้ามาก้มรุมในใจมันเป็นอย่างั้นแหละ จิตที่มีกา ร, รมาฉันทะก็เหมือนกับเอาภาชนะใส่น้ําแล้วเอาสีสีไปใส่แล้วมองเงาหน้าชัดไหมก็ไม่ชัดเห็นไหมจิตที่มีกา ร, รมาฉันทะเป็นอย่างนั้นจิตที่มีถีณาไมทาก้มรุมก็เหมือนเอาน้ําใส่ภาชนะมีจอกหแหล่เต็มไปหมดก็ไม่ใสสะอาดเหมือนกัน จิตที่มีอถ้จาจากกุกุจจากก้มรุมเหมือนเอาภาชนะใส่น้ําแล้วลมพัดกระเพื่อมตลอดจิตที่มีวิจิกิจมฉาก้มรุมเหมือนน้ําที่มีโคลนตมแล้วไปตั้งไว้กลางคืนมองเงาหน้าตัวเองไม่ชัดไมให้ชันใดตอนเนี้ยจิตที่มีพวกกิเลสเหล่านี้ก้มรุม่มเอาไปเดินแยกรูปน้าขันห้าไม่ได้หรอกครับมันเป็นจิตโสภะ ฉะนั้นกิจกรรมที่เราทําทั้งหมดหลังจากที่เราใช้ศีลสกัดนี่นแล้วการที่เรามาเดินสติสมัมปชัญญะมีความเพียรมีสมัมปชัญญะมีสติเพื่อจะกําจัดอภิชาและโทมนานัสก็คือกําจัดนิวรนนี่แหละให้ออกไปจากจิตลําดับแรกพอนิวรนเราทาออกจากจิตแล้วจิตใสสะอาดจิตตั้งมัน่นคินแข็งแรงจิตมีพลังแล้วจิตแบบเนี้เหมือนกับได้ทองสะอาดบริสุทธิ์มาแล้ว จึงเอาทองนั้นไปทำแหวนไปทำสร้อยไปทำนาฬิกาไปทำต่างหูไปทำเครื่องประดับได้มากมายแม้ฉันใดเมื่อได้ภาวะจิตปลอดโปร่งโล่งเบาจากนิวรธรรมแล้วใช้จิตเหล่านี้ไปเดินวิปัสสนาอ ย, ย่างเพื่อจะไปเห็นรูปนามขันห้าตามความเป็นจริงนั้นตอนนี้เราคิดแทบตายก็ไม่เห็นเพราะว่า จิตมันโสกโปกพอมองเห็นไหมถ้าขจัดสะอาดแล้วมันจะเห็นไม่ต้องอยากเห็นก็เห็นน้อมจิตประเภทเนี้ยน้อมไปเพื่อจะเห็นอะไรมันจะปุ๊บทันทีครับน้อมไประลึกอะไรก็เห็นเพราะมันใสเพราะไม่มีอะไรปิดกั้นแล้วตอนเนี้ระลึกอะไรก็ไม่ออกครับระลึกนึกอะไรก็ไม่ค่อยออก แต่พอสภาพจิตที่ไม่มีกลุ่มนิวรธรรมกุ่มรวมเนะือท่านคิดอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่างละเอียดเร็วมากเร็วขนาดนั้นจริงๆนี่สภาพจิตเป็นแบบนั้นมันจะผ่องขึ้นมาทันทีเลยนี่สภาพจิตเป็นแบบนี้ฉะนั้นไอ้นี่เราก็มีไอ้ตัวไอ้ตัวปิดบังการที่เราไม่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยก่อนหน้านั้นก็คือไม่เห็นรูปนามกันธห้าตามความเป็นจริง แล้วก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษเนี่ยอธิบายแทบตายก็ไม่เห็นเพราะจิตไม่พร้อมนั้นจิงบอกว่าพวกเราที่อยู่คนนี้ต้องฝึกต่อเนื่องมากเลยใช่ไฝึกที่ตัวให้กุศลและจิตมันเกิดกุศลและจิตระดับศีลโอ้โหมันเป็นได้จริงๆในชีวิตจริงกุศลและจิตระดับสติสัมปชัญญะในขณะยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งให้สติสัมปชัญญะทำกิจได้จริงๆง ในการที่ก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกกินดื่มเคี้ยวลิ้มถ่ายอุจจาะปัสวะยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งสติสัมปชัญญะมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติมันสกัดไม่ให้กิเลสไหลเข้าเลยแล้วจิตจะใสทุกวันเลยไหมก็กิจกรรมของเราก็ดูคนที่พยายามเอาอุปกิเลสของทองสิ่งที่ทําให้ทองเศร้าหมองออกสกัดออก สกัดธาตุเหล็กเอยสกัดหินเอยสกัดพวกดีบุกตะกัวทองแดงเงินออกเพื่อเอาทองล้วนๆฉะนั้นท่านต้องตั้งหลักว่าทุกเวลาเรากำลังทำกิจในการสกัดกิเลสออกจากกิตฉะนั้นกิจกรรมทุกกิจกรรมต้องเป็นอุปกรณ์แก่การฝึกให้ได้ความเพียรให้ได้สติให้ได้สัมปชัญญะทุกอย่างเลยนะครับ การดูการมองการไหลทั้งหลายเนี่ยมันตื่นเต้นเลยเพราะไม่ให้กิเลสไหลเข้าพอกิเลสไม่ไหลเข้าจิตท่านได้เชิงลึกขึ้นได้กุศลจิตมากขึ้นจิตสะอาดมากขึ้นจิตแข็งแรงมากขึ้นจิตเอี่ยมอ่องพองแผ่วจิตไม่มีมวลถิ่นจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่กระเพื่อมโอ้โหยน้อมไปอะไรจิตประเภทเนี้ยท่านจะน้อมไปในเรื่องอะไรก็ได้ปัญญาพร้อมที่จะมาเกิดเพราะจิตมีพลังมาก แต่ตอนนี้โอ้โหกระจายมากเลยฟุ้งซ่านกระจายกระจายทั่วมั่วหมดเลยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วแล้วใครพูดให้โลภก็โลภพูดให้โกรธก็โกรธใครกระท้งอะไรต่างมาโอไปหมดเลยตอนนี้ยอันนี้บง่งบอกอะไรไม่สกัดฉะนั้นต้องเพียรพยายามจริงๆแล้วเห็นทุกอย่างเป็นอุปกรณ์ในการฝึกหมดทุกเรื่องเลยตอนนี้ ไปบินดาบัดไปฉันอาหารทํากิจกรรมทั้งหลายเนี่ยทําความเพียรมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาความยินดีทมนัตความยินร้ายก็คือไม่ให้อกุศลจิตไหลเข้าสู่จิตได้เลยจะทําอย่างนี้ชัดเลยพรามองเห็นไหมนี่เราไม่เคยถูกสอนให้ทําแบบนี้ว่ามันจะต้องสกัดตลอดแล้วก็ละมัดระวังไม่ให้กิเลสเหล่านั้นกลับมากุ้มลุ่มให บางทีเราสกัดได้แล้วนะวันเนี้ยเราปล่อยเอ้ามากุ้มลมใหม่กันแล้วมันเหมือนกันเราโอ้เราสกัดเอตะกัวดีบุกต่างๆแล้วก็ไปวางไว้ที่เดิมอีกดินมะฮ่มอย่าเก่าอีกตะกัวมะฮ่มอีกทองหายไปเลยเราทํากันอย่างนี้บ่อยๆทําเสร็จแล้วเดี๋ยวก็กลับมาใหม่ทําเสร็จแล้วก็กลับมาใหม่ยังไม่ถึงขนาดว่าได้ทองล้วนๆเอาไปทําเป็นแหวนเอาไปทําเป็นสร้อยเป็นนาฬิกาเป็นเครื่องประดับตอนเนี้ย บางคนได้ภาวะจิตดีแล้วไปต่อไม่ได้ครับเดินวิปัสสนาญาณต่อไม่เป็นอีกไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีกัลยาณมิตรบอกต่อก็กลับไปเศร้าหมองจักกิเลสเก่าอยู่นี่เป็นแบบนี้นะครับในสังสารวัฏเนี่ยเราได้สมาธิกันมาไม่รู้เท่าไหร่ครับแต่มันเดินปัญญาญาณต่อไม่ได้ครับเพราะความไม่มีอุบายวิธีไม่พบพระพุทธเจ้าเนี่แหละนี่มันเสียหายตรงนี้พอมองเห็นไหมทีนี้ ไอตัวสันติเนี่ยมันปิดบังมันปิดบังทำให้เราเห็นติดกันเป็นพืชไปหมดเนี่ยปัญญามันมาไปไม่ได้ต่อให้พูดอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ยังไปไม่พอแต่มันได้แนวทางแล้วมันได้แนวทาธรรมะแล้วมันได้ความเข้าใจแล้วมันได้อุปมาแล้วมันได้วิธีการระดับหนึ่งแล้วได้ความเข้าใจระดับหนึ่งนะเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์มากแล้ว ต่อไปเราเราฝึกตัวเองได้ตลอดแล้วเราจะรู้แล้วว่ากรณีที่เราจะมายกยานปัญญาเข้าไปเจาะทะลุทะลวงเห็นลักษณะเฉพาะตัวแล้วยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์เพื่อเพื่อจะได้ปิดกําจัดเอกทันติที่ปิดบงังปิดบังอ น, นิจจังแล้วียาบทปิดบังทุกเนี่ยคำว่าียาบทปิดบังทุกเนี่ยมันหมายความว่ามันเกิดจากียบทเช่นนั่งมาก เดินมากก็ทุกนอนมากก็ทุกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยาบทต่างๆเหล่าเนี้เนี่ยแต่ยาบทที่มันจะเป็นทุกนั้นมันเป็นมันเห็นได้ยากเมื่อนั่งนานเมือ่อยทนไม่ได้ก็ลุกเดินเง่ายเป็นต้นสังเกตดูนะว่าไอ้ตัวอีอยาบถเนี่ยตัวความขยับขยื่นเคลื่อนไหวเนี่ยมันปิดบังตลอด ทำให้เราไม่เห็นความจริงของสภาวะธรรมที่มันเบียดเบียนและบีบคั้นไม่ว่าจะเป็นไหวอะไรกระดิกนิ้วอะไรก็แล้วแต่หรือกระพริบตาเห็นไหมพอมันจะปวดตาปุ๊บเราก็พริบเราไม่ได้เห็นสภาพที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่เห็นสภาพที่มันเบียดเบียนบีบคั้นมันเป็นออโตเมติกของมันเแป๊แบแป๊บแป๊บเป็นระยะบวดทั้งนั้นนะครับหรือว่าเราเมื่อยปากงี้นะ หรือว่านิดหนึ่งเนี้ยนมันมันมันขยับขยื่นนะครับมันมันไปเบียดบังตลอดปิดปิดปิดปิดพอทุกเบียดเบียนปุ๊บปิดปิดปิดปิดตลอดมันไม่เห็นความจริงยังไงครับมันไม่เห็นความจริงว่าโอ้โหมันเห็นมันเบียดเบียนบีบคั้นเห็นสภาพที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้รู้และเข้าใจมันจริงๆแต่ไม่ใช่ไปนั่งเก่งนะครับ แต่เพิ่งให้รู้ว่านี่สภาวะตรงนี้แหละที่มันขยับที่มันเคลื่อนตัวมันเองตลอดเนี่ยมันเลยก็ปิดบังทุกทําทุกไม่ทันได้รายงานจริงๆทําให้ทุกมันรายงานอยู่แต่ปัญญาไม่ไปเจาะเห็นว่ามันปิดทุกขณะแม้แต่การเต้นของหัวใจตึกตึกี่ยมันปิดตัวมันเองตลอดมันปิดตัวเองเองตลหายใจเข้าหายใจออกหรือเอาวิวาทุกชิ้น หรือว่ากระบวนการตาหูจมูกกระบวนการอาวัยวะทุกชิ้นต่างหลายเนี่ยมันมีการขยับเ ข, ขยืดตลอดมันเลยปิดบังตัวมันเองตลอดเวลาทำให้ไม่เห็นความจริงไม่เห็นความจริงพอมองออกไว้มันปิดบังลักษณะอย่างนี้ทีนี้ไอตัวทุกขเวทนาเนี่ยเห็นได้ในอียบทเก่าเห็นสังขารและทุกในียาบทใหม่เป็นทุกขลักษณะเวลาเรากําหนดในรักนะว่า ไอตัวที่มันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอย่างกร น, น, น, นี้นิดเดียวแค่ น, นี้แท้จริงมันมันทุกเบียดเบีย น, ยนบีบคั้นอย่างหนักแล้วมันก็เลยเป็นออโตเมติกไปเลยอย่างเช่นว่าก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกกินดื่มเคี้ยวลิ้มถ่ายอุจจาระปัสสาวะยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งนอนอยู่ระบบหายใจมัน เนี่ยมันมันมันปิดของมันตลอดเขาเอียบททั้งหลายเลยเนี่ยมันปิดตัวมันเองตลอดพอมันทุกเบียดเบียนปุ๊บขยับปิดปิดปิดไหมจากทุกเก่าขยับไปฮะปุ๊บได้สุกนิดหนึ่งแจริงก็ถุกทุกทุกมันเบียดเบียนบีบคั้นมันไล่เบียดเบียนบีบคั้นตลอดเวลาเลยเราไม่ได้เห็นความจริงตัวนี้มันประการต่อมาคือคณะสัญญาไอ้ความเป็นก้อนความเป็นกลุ่มเนี่ย มันเป็นความเป็นแท่งทึบเนี่ยมันแยกออกไม่ได้เนี่ยความสำคัญผิดว่าเป็นสิ่งที่ได้เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเนี่ยมันปิดบังอนัตตาอนัตตาเนี่ยมันคือการแยกส่วนประกอบได้ทั้งหมดเห็นโวยความเป็นอนัตตาแต่เห็น้วยความเป็นอัตตาเพราะมันมีการรวมเห็น้วยความเป็นแท่งทึบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พอเห็นรวมเป็นอันหนึ่งเดียวปุ๊บของสภาวธรรมปุ๊บก็สมมติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายแท้จริงมันไม่มีเน่ยไหมมันไม่มีสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนหญิงชายตัวตนใดๆอยู่เลยเนยีที่จริงมันคือกระแสชีวิตแต่บรรดากระแสชีวิตเนี่ยรูปธรรมนามธรรมในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับในนั้นมีดินน้ำไฟลมเยอะไปหมดแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ย ส่วนต่างๆเหล่านี้มันเป็นองค์รวมมันเป็นองค์ประกอบที่มันมามาเกิดมารวมกันตามเหตุปัจจัยแล้วก็สลายไปเป็นตลอดเวลาแม้เวทนาแม้กลุ่มของจิตขณะหนึ่งหนึ่งก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นองค์รวมอยู่อย่างนั้นเลยฉะนั้นบรรดากระแสชีวิตที่มันเราจึงมองเห็นด้วยความเป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นก้อน เราไม่ได้มีปัญญาเข้าไปวิจัยเห็นความจริงทั้งหมดถ้าไปวิจัยเห็นแยกองค์ประกอบทั้งหมดไอตัวคณะเป็นกล่มก้อนหายเกลี้ยงเลยอย่างเช่นไอ้สมูหะคณะไอ้สมูหามันลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่จริงมันคือไอ้ดินน้ำไฟลมนั่นแหละ ที่มันพุ่งออกมาพุ่งเข้าพุ่งออกแต่มันบัญญัติเป็นเป็นลมที่เรียกว่าลมเนี่ยในนั้นมันมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมมีสีกลิ่นรสโอชาถ้ากระทบตรงไหนมีเสียงฟืดฟๆออกมาด้วยใช่ไหมไอสภาวธรรมเหล่านี้แต่ว่าเวลาเจริญอาณาบรรณสติเขาไม่ได้ไปพิจารณาแยกแยะอย่างนี้นะเขาเห็นด้วยความเป็นกลุ่มเมื่อไรเห็นลมวิ่งเข้าวิ่งออกได้จนเห็นเป็นลําได้เมื่อไหร่ก็ เห็นนิมิตของลมได้เมื่ไรสมาธิก็แนบแนบชิดใช่ไหมครับถ้าดูแล้วยังไม่มีนิมิตของลมปรากฏเป็นแสงเป็นลำอะไรต่างๆขึ้นมาเบี เ, เสด็จก็แปลว่าการเจริญสมาธิยังไม่สมฤร็จผลใช่ไหมหลักการคืออย่างนี้ใช่ไหมคเพราะก็เคียงเห็นใ้ผิวๆแต่จริงๆอะลมเข้าลมออกเนี่ยมันวิ่งเข้าวิ่งออกจริงไหมจริง ที่จริงดินน้ำไฟลมแล้ววิ่งกระทบเข้ากระทบออกกระทบเข้ากระทบออกอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะพอสมาธิมากขึ้นมาพบบางคนยังเห็นลมหายใจเป็นแสงก็มีเห็นเป็นสีขาวก็มีเห็นเป็นปุยนุ่นก็มีเห็นเป็นดวงดาวเปต้นก็มีเห็นไหมมันมาจากสัญญาของมนุษย์ที่ต่างกันก็เลยเห็นนิมิตที่ต่างกันไอ้นิมิตตรงนี้แหละเป็นจุดหมายปลายทางการเจริญอานาปนสติของบุคคลที่ปรารถนาสมาธิใช่ไหมเชิงลึกนี่ยเป็นต้น ฉะนั้นไอตัวคัณะสัญญาเนี่ยมันปิดบังอนัตตาทำให้เราไม่เห็นรูปนามขันห้าโดยความเป็นตามความเป็นจริงมันก็ปิดบังอยู่เริ่มเหมือนนี่นี่เป็นไปรักษาไ่ อ๋อ oh. <c oughs> จริงๆคืออย่างนี้ให้เข้าใจก่อนว่าที่จริงในะความทุกข์เนี่ยสภาวะที่มันทนอยู่ในสภาวะเดิมมันไม่ได้เนี่ยจริงๆเวลาเราคันหัวเนี่ยที่ว่าคันหัวหรือเป็นแผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จริงถ้ามันหนึ่งทุกข์กายแต่ด้วยกายกับใจเนี่ยมัน สัมพันธ์กันอย่างรุนแรงที่เราทุกข์เราจริงๆมันทุกข์ใจแล้วนั่นี่ไอความรู้สึกมันคนะันเนี่ยผมทนไม่ได้ไอคนนะี้แปลว่ามันถึงใจอย่างทุกข์ใจแล้วไอ้ความรู้สึกทุกข์ใจตรงเนี้ยเราไปสําคัญวันนี่คือทุกข์แต่ที่จริงสภาวะของคําว่าทุกข์ในไตรลักษณ์เนี่ย มันเป็นของมันอยู่ตลอดเวลามันเบียดเบียนบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาคำว่าเบียดเบียนบีบคั้นกดดันขัดแย้งทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ด้วยอนุภาพเป็นการเกิดและการดับอะไรที่มันเกิดและมันดับมันมีความทุกข์ในตัวมันเองมันต้งเกิดดับเกิดดับสืบต่อมีแล้วกับไม่มีมันในแง่ของอนิจจงสภาวะที่กดดันขัดแย้งนะ เช่นในดินน้ำไฟลมเนี่ยที่มันอยู่ในกลุ่มกราบเดียวกันหรือกลุ่มเวรนาสัญญาสังขารวิญญาณกลุ่มในนามมาทำในกลุ่มเดียวกันหน่วยเดียวกันทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นที่มันเกิดขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยมันเบียดเบียนบีบคั้นขัดแย้งมันถึงมีความตั้งอยู่ไม่ได้ทอนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันต้องบุบสลายก็ต้องวิบัติไปมันเป็นของมันตลอด แต่มันมีอาการออกมาจนว่ารู้สึกว่ามันมาคันหัวคันอะไรต่างอันนั้นแปลว่าอาการนั้นมันมันกำเริบพักออกมาเท่านั้นเองที่มันมีอาการต่างๆออกมาเนี่ยจนมีความไปกระทุ้งที่ใจว่าโอยเราทนไม่ไหวจริงๆถามว่าจะให้พิจารณาอย่างไรเนี่ยก็คือให้เห็นว่าจริงๆมันเป็นก่อนหน้านั้นนานตั้งนานแล้วมันมี้ามันอยู่ตลอดเวลาแล้วทีนี้ อย่างยกตัวอย่างเช่นนะอย่างเช่นว่าอืมไอตัวเวทนาเนี่ยครับเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกสุขเนะไอเวทนาเนี่ยมันก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันมีการมีแล้วกับไม่มีเป็นอนิจจังไอเวทนาไอตัวสุเขเวทนาเนี่ย มันทนอยู่ในสภาวะของมันไม่ได้ถูกความเกิดและความดับเบียดเบียนขัดแย้งให้มันต้องสลายไปให้มันหมดไปเนี่ยนี่เขาเรียกทุกดูทีเน่ยวิปรินามาทุกคือมันแปลปวนั่งมันเนี่ยสุขเวทนาที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นั่นคือทุกในไตลักษมันกำลังแสดงให้เห็นแล้วนะครับมันทนไม่ได้และเราก็บังคับไม่ได้ คอนโทรมันไม่ได้กํากับมันไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างเนี้ยมันอนัตตามันปรากฏอย่างนี้เอาแค่ความรู้สึกแม้ขณะหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นทั้งอนิจจังทุกขังและเป็นอนัตตาในตัวมันเองอยู่แล้วมันไม่ใช่ออกมาจนถึงปวดร้องออกมามันทกของธรรมชาติกับทุกใจมันคนละเรื่องเลยนะ พราะเราเอาโทษธรรมชาติมาดึงไว้ในใจเราเราจึงกลายว่ามันเป็นทุกข์ของเรามันไม่มีเราเลยอ่ะจริงๆมันไม่มีเราหรอกมันเป็นสภาวะที่มันได้เหตุปัจจัยได้ได้สัมผัสที่เป็นสุขสุขมันเกิดขึ้นเพราะไอ้สัมผัสที่เป็นสุขมันไม่เที่ยงด้วยไอ้ตัวสุขมันจะเที่ยงแต่อย่างไรไอจ้จักเช่นว่า กายสัมผัสสัชชาสุขเวทนะอาอเราสัมผัสไอ้ตรงนี้มันนิ่มมันได้สัมผัสตัวนี้สุขมันเกิดขึ้นขณะหนึ่งแต่ก่อนมันมีไหมไม่มีแต่เพราะมันได้เหตุปัจจัยเพราะมันมีขึ้นมาพอสุขเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็หมดไปเนี่ยมีแล้วกลับไม่มีมีแล้วกลับไม่มีมลมมตลอดเวลานั่นเอง มันสัมผัสทุกครั้งมันก็เกิดตลอดเวลนี่เขาเรียกเป็นอตรักษณใช่ไหมเป็นอนิจจังใช่ไหมแต่ละขณะมันก็เบียดเบียนบีบคั้นในตัวมันเองเพราะไอ้สุขเวทนาเนี่ยมันมันมันถูกไอ้ตัวกลุ่มนามธรรมอื่นๆรูปธรรมอื่นๆเนี่ยมันมันก็ทนอยู่ในสภาพเดิมมันไม่ได้เหมือนกันมันก็เบียดเบียนบีบคั้นตลอดเวลาทั้งหมดเหล่านี้มันได้เหตุปัจจัยใหม่มันได้มาจากเหตุปัจจัย มันก็เกิดจากเหตุปัจจัยเมื่อไอตัวเหตุปัจจัยมันก็ไปเที่ยงไอตัวสุขเวทนาจะเที่ยงแต่ที่ไหนเหตุปัจจัยมันก็เป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตัวมันเองก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เหตุปัจจัยมันก็ไม่ใช่อัตตาตัวตนใดๆเป็นอนัตตามันมาจะองค์ประกอบมาจากเหตุปัจจัยตัวมันเองก็เป็นอนัตตาอย่างนี้เป็นต้นเขาเข้าไปเห็นทั้งตัวผลที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปดูเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดด้วยเนื้อการเห็นความจริงเนี่ย เห็นไหมว่าจริงๆแล้วทกในนิยามของความจริงของสภาวธรรมกับคําว่าทกใจคนบริบทในความทุกใจนั้นก็มีอนิจจังในนั้นแล้วก็มีเบียดเบียนบีบคั้นความทุกในนั้นแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยมันเป็นมันอย่างนี้แต่มนุษย์เราเนี่ยมันเหมือนจนนึกหนว่าวแล้วเอาทุกธรรมชาติซึ่งมันเป็นก็มันอยู่อย่างนั้น มามามาใส่ไว้ในเราในใจเรากลายเป็นทุกข์ของเรากลายเป็นทุกข์ของคนไปเลยเนี่ยเพราะเราไม่เห็นอะไรไม่เห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายทีนี้ฉะนั้นถ้ามองมองอย่างนี้ก็จะเห็นว่าอ๋อที่พูดเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเอ๊ะเวลาคันเป็นทุกขนะ์น่ยทุกข์แต่จริงๆเนี่ยไอ้ที่ไม่คันก็เป็นทุกข์ มันก็ทนอยู่ในสภาพเดิมมันไม่ได้มันมั น, ม, นมันเบียดเบียนบีบคั้นตลอดเวลาแต่เพียงว่ามันได้เหตุปัจจัยอะไรจนถึงมันปรากฏออกมาจนชาร์และติดต่อขึ้นมาจนมีความรู้สึกในใจเราก็ไปยึดถือออกมาว่าเอาทนไม่ได้จนสะทนในใจมันทนไม่ได้แล้วก็ไปจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะแก้ปัญหามันนั่นก็ว่ากันอีกทีพอมองเห็นไหมยากไหมเนี่ย เห็นยากไหมมันเป็นมันอยู่แล้วเราจะไปเห็นมันหรือเปล่าหรือเราจะไปยึดถือว่าเป็นทุกของเรามาเลยเท่านั้นเองราจะไปเห็นมันหรืเปล่าหร้อเราจไนยึดถืาเป็นทุกขอมเลยท่านั้นเอง มันมีอันนึงที่แบบอออว่าเออสหิวน้ำก็อเออเนี่ยเป็นชาตหรือน้า เ, เ, เป็ น, น, น, ปนด่างกไม่เาไปทุกใจอะไรอันนี้คือถือว่าเป็นเหตุอ๋อนี้ด้า น, นด้านเหตุผลไอไอตัวนี้ก็คือเข้าใจด้านเหตุผลว่าเราต้องให้น้ำเพื่อจะต้องไปหล่อเลี้ยงกระแสชีวิตยังไงประโยชน์ใช่มหนึ่งเวลาเราจะกินน้ำแต่ละครั้งเนี่ยหนึ่งกำหนดสาตรกาศสัมชัญญะก็หมายความว่ากำหนดประโยชน์ประโยชน์ทางด้านรูปธรรม ตอนนี้ร่างกายต้องการจริงๆอันนี้เข้าใจในมุมนี้ก่อนนะแล้วก็เอาน้ำมาดื่มทีนี้และในด้านของนมามธรรมสติความเพียรปัญญาเกิดขึ้นไหมมีความยินดีและยินร้ายเกิดขึ้นในใจไหมถ้ามีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นแสดงไม่ได้สาตกาศสัพพัญชย ไม่ได้สติเกิดขึ้นจากการกินน้ําไม่ได้ปัญญาเกิดขึ้นจากการกินน้ําไม่ได้ความเพียรที่สร้างสารรค์เกิดขึ้นจากการกินน้ํามันได้แค่ประโยชน์ทางด้านรูกปากายแต่ประโยชน์ทางด้านจิตใจไม่ได้นี่สอนอกจากได้สัตกา TS, ระสัพพัญญะแล้วได้ส ป, ปายะไหมน้ําที่ดื่มมันส ป, ปายะกับร่างกายไหมเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมถ้าเหมาะสมเป็นส ป, ปายะทางด้านนั่นกันแล้วก็ถ้าส ป, ปายะทางด้านกุศลก็คือว่าทุกครั้งที่ดื่มน้ํา กำหนดได้ดีแล้วก็สะดวกแล้วก็เหมาะสมกุศลและจิตเกิดได้ดีมากนี่เป็นสปญญายะแล้วเป็นโคจระสัมปชัญญะไหมหมายความว่าเดินกุศลได้ติดต่อและต่อเนื่องไหมจากการเดินไปเพื่อจะไปหยิบน้ำะะนึกจำได้ไมแล้วก็เดินกลับมากุศลสติสัมปชัญญะและความเพียรไม่หลุดเลยนี่เป็นโคจระสัมปชัญญะเจาะลึกลงไปอีกว่าจริงๆแล้ว รูปเวทน า, าสัญญาสัญขารวิญญาณก็คือกระแสะของชีวิตก็คือขันห้าไม่ใช่สัตว์บุคคลลายๆเป็นผู้เดินเป็นผู้เหยียดแขนหรือไปหยิบน้ำที่จริงก็คืออาการของขันห้ายืนขันห้าเดินขันห้าหลับตื่นพูดขันห้ากินดื่มเคี้ยวลิ้มไอ้ดื่มเนี่ยขันห้าดื่มไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นผู้ดื่มก็คือกระแสะชีวิตถ้าไปเห็นความจริงอย่างนี้ก็เรียกอาสัมโมหสัมปชัญญะ หลักการในการปฏิบัติในชีวิตจริงมันเป็นแบบนี้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเอาสัทธากลเอาประโยชน์ก่อนกําหนดประโยชน์ทั้งรูปธรรมประโยชน์ทั้งด้านนามธรรม ท, ที่ได้กุศลจิตให้มันได้ตัวนี้แล้วน่ยเขาก็ส ป, ปายะไหมน้ําบางอย่างมันมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปน้ํานี้ไม่เหมาะสม น, น้ํานี้เหมาะสมอันนี้เป็นส ป, ปายะทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจก็คือ กุศลมันเกิดขึ้นตั้งแต่เกี่ยวตรงนี้ได้ง่ายได้สะดวกจริงๆแต่น้ําอย่างนี้ถ้าดื่มเข้าไปทีใจ ไ, ไม่ได้กุศลเลยรู้สึกโกรธหรือไม่ก็ชอบมันเพลินมันทุกทีเลยอันนี้ไม่สปยายะกับเรามันอาจจะสปะยายะต่างๆร่างกายแต่ทางด้านกุศลไม่สปยายะก็ไม่เลือกที่จะดื่มนะครับเพราะมันได้บาปอะดื่มได้เลยอเย็นสบายเนี่ยชื่นใจองี้อันนี้ไม่ยากไม่ใช่แล้ว ต้องไปวิจัยจนถึงว่ามันได้กุศลจริงๆมันนอกจากสปายะกร่างกายเราจริงร่างกายขาดน้ำตาลต้องต้องใส่จริงๆแต่กุศลเกิดไหมถ้านันปุ๊บกิเลสเกิดแล้วโหยาวหรืออีกนี้ไม่สปายะและในขณะที่เดินไปเพื่อจะไปหยิบเอาน้ำหวานเดินกลับมาเนี่ยสติสัพชัญญะความเพียรติดต่อและต่อเนื่องไหมนี่มันคือโคจิละ เห็นด้วยความเป็นกระแสชีวิตจริงๆอสัมมัวเป็นแบบนี้หลักการก็อย่างนี้ยันนีคือที่อาจารย์พูดมาอธิบายมานี่คือมันมันมไม่เข้าสู่ลักมนใช่เบื้องที่ไม่ีว่าเป็นตัวตนเราใช่ใช่ใชอันนี้เริ่มเห็นด้วยความเป็นกระแสชีวิตก่อนแต่ยังไม่เดี๋ยวต่อไปต้องพัฒนายกขึ้นสู่ไตรลักอีกทีหนึงเพราะตอนเนี้ย เพราะตอนนี้เรามึนนึกหนาดว่าแยกกับสัตว์บุคคลอัตราตัวตนกับกระแสชีวิตไม่ออกเราเห็นด้วยความเป็นเราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนเห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลเป็นอัตราตัวตนเราเขาเป็นผู้ไปยืนไปเดินไปนั่งไปนอนนะเราเห็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะนี่เป็นแบบนี้ครับนี่คือปัญหาชีวิตที่มันเข้าใจผิดกันเยอะแยะหมดเข้าใจยังไงมันชีวิตจริงเลยครับ นี่คือชีวิตจริงของของชาวกุรุครับแล้วก็ของนักบวชครับทีนี้ไอวิ ช, ชาเนี่ยมันหลุดไปจากพุทธบริษัทมันได้แต่มาพูดกันด้านทฤษฎีแต่ภาคลงมือทำกันจริงๆริแทบไม่มีแทบไม่มีโดยมากเราจะไปมีกันเป็นคอสคอสพอถึงเวลา7็ดวันสิบวันไปปฏิบัติเอาจริงเอาจรงกันอยู่ภาคหนึ่งแล้วก็หลุดออกมาทันเป็นแบบนี้ <c oughs> พอมองเห็นไหมที่จริงมันปฏิบัติได้ท่านฟังไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆจนเกิดตกผลึกเมื่อไหร่นะสักวันหนึ่งมันเป็นออโตเมติกในการปฏิบัติเลยครับนันจะเป็นแบบนั้นนันเป็นเรื่องใหม่กับท่านเลยจะไม้ไดแบบนี้ใหม่ไหมร้อเป็นเรื่องใหม่ไหมใช่มันเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหม่หมทั้งๆที่เป็นเรื่องเก่าที่พระริชาสอนแล้วสอนอีกนี่แหละ นี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ในชีวิตจริงๆเนี่ยมันต้องมีเวลามากจริงๆนะ ย, ยกตัวอย่างเช่นเช่นนะครับ เ, เหมือนจะเดินจะเดินไปที่ต้นโพเนี่ยเป็นศัตกากไหมเป็นเป็นได้ประโยชน์ใช่ไหมการไปต้นโพไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นศัตกากสัพพชัญญาบ้างอ้าวแล้วมันได้ประโยชน์ ประโยชน์ทางด้านลูกธรรมที่ได้ไปกราวไปว่าแล้วตามธรรมได้ศรัทธาเพิ่มขึ้นไหมได้ความเพียรเพิ่มขึ้นได้สติได้สมาธิได้ปัญญาได้สติสัมปชัญญะนี่เป็นสาตตกาสัมปชัญญะแล้วส ป, ปายะไหมเอาตอนคนอยู่เยอะๆเออไม่ส ป, ปายาะเห็นไหมเนี่ยพอไปเดี๋ยวเป็นอาบาับัดเดี๋ยวต้องอาบาับดัดเดี๋ยวเกี่ยวข้องเดี๋ยวสติสัมปชัญญะเดินไม่ต่อเนื่ยเนี่ยเออไม่ไม่ส ป, ปายะที่ไหมถ้าเป็นโคจระสัมปชัญญะไหมไปแล้วโห ถือกรรมฐานไปถือกรรมฐานกลับเป็นอาสามโมหะไหมเห็นเป็นกระแสชีวิตเห็นด้วยควาเป็นกระแสเพิกสรรัตวบุคคลอาตาตัวตนได้จริงจริอย่างนี้เป็นต้นทุกเรื่องเป็นแบบนี้หมดทุกเรื่องต้องเอาสัมปชัญญรยาสีา่อย่างศาตกาสัปายะโคจราอาสา ม, มหมไปจับแล้วก็ฝึกทีละตัวละตัวละตัวฝึกไปเรื่อยๆหรือคนเข้าใจก็ฝึกตลอดเลยอย่างนี้เป็นต้น ในศาสนานี่ขับเน้นอย่างนี้นะครับอันนี้วิธีการนี้ก็คือก็ขจัดไอตัวความเศร้าหมองมนทินมนทินของจิตออกตลอดขจัดมนทินของจิตออกตลอดตลอดตลอดเพราะจิตมันมีมนทินคือกิเลสกุ้มรุมหนาแน่นมันจึงไม่ไม่ชานฉลาดมันจึงไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบามันจึงไม่สามารถแทงตลอดอะไรต่างๆนี้ได้ เข้าใจหมแล้วนี่เป็นแบบนี้ <S <S <S คือคือในชีวิตเขาทำในชีวิตจริงนะทุกอย่างเป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ในการที่จะให้ความเพียรให้สติให้สัมปชัญญะเกิดทั้งทุกเรื่องนะครับเป็นอย่างนี้ ยากไหมล่ะที่จริงเนี่ยมันท้าทายมันท้าทายทึงท่งทึ่งทึ่งเราควรฝึกนั่นเลยควรจะฝึกควรจะย เนือ่องการกินอาหารเนี่ยกำหนดหนึ่งศาสตกาสัมปชัญญะก็หมายความว่ากําหนดว่าอาหารเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายกําหนดเลยนะว่าอันนี้เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์จริงๆใช้ปัญญาเข้าไปวิจัยแยกแยะเป็นนั่นเป็นศาสตกาใช่ไหมทีนี้นี่ประโยชน์ทางด้านรูปธรรมและในขณะเดียวกันก็คือว่ากุศลและจิตเกิดขึ้นจริงๆ จ, จิตใจปลอดโปร่งโล่งบ มีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะได้แล้วนะศาสตการสัมปชัญญะสปายะก็หมายความอาหารแบบนี้มันสปายะแก่เราไหมและแค่ไหนจะ ก, กินแค่ไหนทางด้านเราไม่ใช่เป็นประโยชน์และอัดเต็มที่ไม่ใช่มันสปายะและในขณะเดียวกันในขณะที่กินหรือเคี้ยวไปนั้นกุศลและจิตมันเกิด หรือไปตั้งแต่ไปแสวงหาไปแล้วก็แล้วแต่มันได้กุศลจิตและนี่เป็นสัพพยสมัมชัญญยถ้าเป็นโคจระก็หมายความว่าเดินอาหารเละปฏิกูลสัญญาเป็นต้นได้ด้วยพิจารณาเห็นความเป็นของปฏิกูลของอาหารก็ได้ใช่ไหมปฏิกูลตั้งแต่โน่นตั้งแต่แสวงตั้งแต่เริ่มไปแสวงหาไปผลิตกว็จะได้มา เหน็ดเหนื่อยลำบากต้องบากปรกรรมมากมายต่างๆของคนแสวงหาแม้พระเองไม่กำหนดสติสัมปชัญญะในการอุอได้มาด้วยความไม่ควรเลยเยอะแยะหมดจนถึงขนาดต้องมาเคี้ยวกินสติสัมปชัญญะไม่ลดและถ้าเป็นอาสามโมหาคิดยังไงดูมไหมจริงๆก็คือว่าไอ้มือที่ทาทาไอ้ทากิจ ที่ในกรณีการยื่นไปเนี่ยในกรณีไปตักอาหารหรือไปคว้าอาหารเข้ามาเนี่ยที่จริงมันไม่สะอาดเอามาใส่ในปากเนี่ยไอ้ฟันล่างฟันบนมันเหมือนครกกระสากนันบทกันไอ้ภาชนะภาชนะที่ใส่อาหารก็เหมือนกับเบื้อง ภาชนะอาหารมันก็เหมือนยาอาหารก็คือยาครับการกินอาหารไปก็คือว่าเอายามารักษาการป่วยเขาให้อมองถึงขนาดว่าเราเนี่ยอาแสชีวิตเนี่ยก็มีแผลได้ไม่หมดนะครับ ทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารปากทวารกะทะวารหนักทวารเบาแล้วก็ตามลูคุมขนของไม่สะอาดมันผลักออกมาเหมือนคนโลกเลือดเขาบอกเราเป็นโลกเลือนไอตัวจีวรเนี่เหมือนผ้าพันแผลนั้นเราจะบอกว่าถ้าคนบุรุษคนนั้นเป็นโลกเลือนนะครับแล้วมีผ้าพัน พันโรคเลือดปิดอยู่ไอคนนั้นโอ้โหมีผ้าพันแผลเนื้อดีคนนี้ผ้าพันแผลเนื้อไม่ดีมันจะไปอวดกันงั้นไหมไม่เลยนะมันก็ไอโลกเลือดเหมือนกันเขาเห็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะครับแล้วก็ไอบาตเนี่ยเหมือนกับเบื้องเหมือนพาชนะไปใส่ ย, ยาที่ไอโลคเลือดมันจะมาแก้อาการเป็นโลกเลือดกันอยู่เนี่ยไอปาก ฟันบนฟันบ้างเหมือนขอกมันสากเนี่ยเคี้ยวในขณะที่เคี้ยวเนี่ยน้าลายปลายลิ้นโคลนลิ้นกลางลิ้นกลางลิ้นโคนลิ้นเนีที่มันมาผสมกับอาหารนะครับเนผสมกันมันเป็นของไม่สะอาดตั้งแต่ขนาดอยู่ในชาญและอยู่ในปากแล้วก็ไหลไปในหลอดคอหลอดอาหารลงสู่กระเพาะแล้วก็ไปถูกเตโชธาต์เผา แล้วถ้าเข้าก็ส่วนหนึ่งไปหล่อเลี้ยงกระแสะชีวิตของไม่สะอาดทั้นั้นเป็นทั้งเมือกเป็นทั้งสเลตและส่วนหนึ่งก็ไหลอไปเป็นก้อนอุจจาระปัสสาวะเหลืองพอร้อมที่จะขับออกมามันอันเดียวกันเลยเข้าไปก็ออกเนี่ยแต่ลังเกียจมันไม่ต่างกันบางคนนี่ตอนเข้าโโหัวนั่งคุยกันดีตอนออกต่างคนต่างไปแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเขาให้เห็นลักษณะอย่างนี้ว่าเหมือน เ, อเรากําลังป่วยหนักกันเนะที่กินอาหารอยู่เนี่ย รักษาโรคกันเนืถ้าเห็นนี้กิเลสจะเกิดไหม <Yeah. S 1> เขาเห็นขนาดนั้นเลยครับเห็นเห็นกันอย่างนั้น <Yeah. S 1> จนเห็นด้วยความเป็นกระแสชีวิตนะเข้านะเข้าเจาะเข้าถึงขนาดอะไรรู้ไหมว่าถ้ากลุ่มปัญญาญาจริงๆก็คือไอ้ตัวธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่อยู่ในเนื้อในอาหารอะไรที่เรียกกันเนื้อเลือดผักอที่จริงก็คือตัว โอชาคือตัววิตามินเวลาเราเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเค้ยวไปที่ผสมกันน้ําลายต่างๆมันจะมีโอชาก็ตามกระพุ้งแก้มอะไรต่างเนี่ยเป็นเม็ดเล็กๆวิ่งไปตามเนี่ยเต็มไปหมดเวลาไหลมันก็เป็นเป็นเอาวินิโพคารุบไหลไปตามหลอดอาหารเนยโอ้โหเป็นแถวไปหมดไปกองอยู่ในกระเพาะแล้วก็มีปาจกาเตโชเตโชท่าที่เกิดจากกมันก็มาเผา เผาก็เป็นตัวอนูเล็กๆ เ, เ, เ, เ, เป็นสารอาหารที่เรียกว่าไออาหารและชะโลภเนี่ยวิ่งไปตามเลือดตามจุดต่างๆไปในปไปหล่อเลี้ยงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเกิดดับสืบต่อกันนี้เต็มไปหมดเลยครับมันเป็นมันอยู่เนี้ยนั่นแหละคือกระแสชีวิตคนที่ฝึกยานปัญญาจนเชิงละเอียดเห็นหมดเลยครับไปเห็นความจริงอย่างนี้เลยอ่ะ มันจึงบอกว่าเพียงพอหรือยังที่จะเบื่อหน่ายมันยังเบื่อหน่ายโอ้โหมันเป็นขนาดนี้มันเห็นความจริงที่กินเข้าไปเนี่ยเห็นหมดเลยแล้วปัญญาก็าไปวิจัยเห็นจากพระเห็นจากไอ้สุตตะก่อนนะ้แล้วก็ไปวิจัยเหมือนเครื่องยนต์กลไกพอเดินปัญญาระดับเลึ่ขึ้นมาดึงสิ่งเหล่านี้มาวิจัยเห็นหมดเลยเดี๋วนี้เห็นกระแสชีวิตทั้งหมดเลยโอ้โห ต้องลำบากลําบนต้องมาเคี้ยวต้องมากินต้องไปหล่อเลี้ยงให้มีปริมาณเพียงพอในการหล่อเลี้ยงพมกล้วยปั้นนะ่ะขนาดหล่อเลี้ยงอย่างนี้ความชลาความคําค่าพยาธิเกิดทุกจุดในกระแสของชีวิตหัวกายนี้มันเป็นโทษอย่างนี้เนาแเมื่นามมาทำหรือก็ต้องคอยป้องกันไม่ให้บาปอุศลกรรมมันชั่วร้ายมันไหลลอดราดลดกระแสชีวิตทํำยังไงเนาะเราจะเป็นสัตว์สะอาดทั้งด้านนา ม, มาทำรูปธรรมยังไงก็ไม่งาม ไม่สะอาดแต่เราจะต้องเป็นสัตว์สะอาดสัตตานังวิสุทธยาเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสและกองทุกทํากิเลสให้นิพพานให้ได้จะทําจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะตัดภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏได้ได้ <c oughs> โอ้โหมันคิดขนาดนั้นเลยครับมันเข้าใจ ม, มันทะลุทะลวงก็ไปขนาดนั้นพอมันเห็นความจริงขนาดเนี้ยจิตมันเกิดความอาถรรพ์มุ่งมั่นอดทน อดกั้เพียรพยายามไม่หยุดหย่อนว่าเราจะต้องทํายานปัญญาให้เกิดขึ้นให้จงได้ถ้าตราบใดไม่สามารถทํายานปัญญาให้เกิดขึ้นได้เนี่ยจะไม่หยุดความเพียนเด็ดขาดเนื้อเลือดจะเหือดแห้งหายไปมันเข้ามากระทุ้งในใจเลยนะครับจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดู ก, ก็ตามทีทําไมแทงตลอดอริยสัจสี่ตามพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะไม่หยุดความเพียนจะไม่ไม่ทอ้อถอยเด็ดขาดมีความอดทนมีความตั้งมั่นอย่างมุ่งมั่นมันเขียนมันประจักษ์อย่างนี้ มันเข้าใจความจริงชีวิตแบบนี้พอยมองเห็นไหมมันเป็นลักษณะแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะครับสมควรแก่เวลาเข้าใจใช่ไหมเป็นแบบนี้ครับแสดงว่าใใ้างเราขบนอาหารเนี่ยให้เราต้องตรวจย้อนังทั้งหมดครับไปบินตบาท ใช่คือคือจริงๆเนี่ยกลับมานั่งเนี่ยให้พิจารณาที่เราทบเราพิจารณาตั้งแต่เดินไปหาอาหารเลยครับที่เราเดินไปเป็นกุศลและจิตเป็นอากุศลและจิตเดินเท้าเหยียบฝุ่นเหยียบโคลนไปไปในสมมติไปในตลาดสดดูความสโปรกโสกโครกอะไรเนี่ยพิจารณาหมดเลยนะครับให้เห็นความไม่สะอาดของอาหารตั้งแต่ที่ไปถูกทบถู ก, ถ ก, ถกตีมไม้ปลาตัวเนี้ยหรือเนื้อตัวเนี้ย ถ, ถ, ถ, ถูกทุบถูกตีไม่สะอาดยังไงเต็มเว้มีอุจจาระปราาัสสาวะในร่างกา ย, ยางไงต้องมาทอดมาทําอะไรมาปรุงแต่งเพื่อหลอกตาเพื่อมันดูดียังไงเนี่ยวิจัยหมดเลยครับทั้งหมดนะถามว่าผักจริงเวลาไปปลูกกับดินอะไรต่างเนี่ยมันก็ไปดึงของไม่สะอาดมาทั้งนั้นแหละพอมันแปลสภาพหน่อยแล้วก็นึกว่ามันดีแค่นั้นเองไปเห็นขนาดนั้นนหะครับจนตัณหามันไม่จับฉวยตัณหามันคือ พิจารณาปัญญามาทําหน้าที่เห็นความจริงไปเสร็จโอ้ยจริงจริงเว้ยมันต้องมาเป็นธาตุของไอการกินขนาดนั้นเลยว่างั้นมันเห็นขนาดนั้นมันต้องแบกขันธภาละมันไม่งามเต็มไปหมดเลยในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกในเยื่อในกระดูกในไตในหัวใจในตับในปอดในไส์ใหญ่ไส์น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองเห็นเห็นทั้งหมดแล้วเราเอาไปหล่อเลี้ยงสิ่งต่างต่างตรนี้เพื่อให้มันกายนี้อยู่ได้ เพื่อจะได้มีพละกกำลังในการเดินศีลสมาธิปัญญาจะต้องทำกิเลสให้นิพพานก่อนกระแสะชีวิตนี้มันจะดับนี่อยพูดังในการเดินเป็นสากลับมาที่ันเนี่ยดึงใช่ใช้ปัญญาในาอันก็คือฉันพอประมาณในในส่วนของ่างกายอันนั้นเป็นเป็นส ป, ปายะของร่างกายแต่ด้านจิต กระบวนการความคิดนึงอีก อ, อย่างนึงให้เป็นกุศลและจิตนั่นแหล คือคือเข้าใจเวลากุศลแลจิตเกิดขึ้นเนี่ยมันพิจารณาเรื่องอะไรถ้าพิจารณาเรื่องเอ่อเอาประโยชน์จากความเห็นเป็นกุศลเอากุศลนจิตให้เกิดขึ้นให้ติดต่อและต่อเนื่องเป็นกรรมฐานเกิดขึ้นติดต่อต่อเนื่องตอนนั้นมันยังไม่ถึงขนาดถอนอัตตาตัวตนเพราะมันมุ่งไปที่ให้กุศลเกิดก่อนหรือในกรณีที่เป็นสัทธกากาสัมปัญญะก็ยังไม่ถอน สปายะที่เป็นเหมาะสมแก่เราก็ยังไม่ถอนถือกรรมฐานคือสมถะกรรมฐานเป็นต้นก็ยังไม่จะถอนได้ก็ต่อเมื่อทำปัญญาจนเห็นด้วยความเป็นกระแสชีวิตโดยความเป็นว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหญิงชายเป็นเข็นเป็นขันห้าจริงจเป็นรูปขันเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกระแสชีวิตที่เดินกระแสชีวิตที่ยืนกระแสชีวิตที่นั่งกระแสชีวิตที่นอน เห็นคันห้ายืนกันห้าเดินกันหน้านั่งคันห้ า, หาก้าวไปถอยกลับแลตรงก็คือขันห้าแลเหลยวก็ขันห้ากินดื่มเคี้ยวลิ้มทายอุจจาระปัสสาวะเป็นคันห้าหรือไม่ใช่สัตว์บุคคลเลยถ้าเห็นอย่างนั้นจริงๆมันเรียกว่าทายถอนทีนี้ประเด็นตรงนี้ถึงแม้ว่านั้นก็คือฝังให้รู้เรื่อง แต่ไอ้ตรงเนี้ยเวลาเราเดินจิตก็เพื่อจุดหมายเพื่อจะทำปัญญาตรงนั้นเอเกิดมันจะเป็นไปตามขั้นตอนมันอย่างนี้จริงๆตัวปัญญาเกิดขึ้นเป็นไปตามตามสเต็ปที่เรารู้เราเข้าใจนั้นนั้ น, น, น เ, เห็นดหดญญได้ปัญญา <c oughs> แต่จริงๆก็คือว่ามันมาจากฟังก่อนเหมือนเราเรียนเรื่อง เรื่องเรื่องการซ่อมไฟฟ้าเรื่องไฟฟ้ามันดูที่ฟังทฤษดีจนเกิดความเข้าใจฟังอย่างเดียวไม่พอฟังจนสามารถคิดทบทวนคิดทบทวนจนรู้กระแสะไฟฟ้ารู้ปริมาณของไฟฟ้ากระแสะไฟฟ้าจะเชื่อมจะต่อจะนั่นยังไง ร, รู้จนเข้าใจเบียเสร็จจนหลับตาลืมตาเห็นหมดแล้วเนี่ไม่ใช่เรื่องตาเห็นเลยครับมันเรื่องความเข้าใจทีนี้พอภาคปฏิบัติการ ลงมือจับต้องมันเข้าใจหมดเลยแม้ในขณะที่กําลังทําบางทียังไม่เข้าใจทบอย่างทองแท้เลยนะครับแต่ฝึกไปวิจัยไปสังเกตไปแยกแยะไปเรื่อยๆจนในที่สุดจริงๆไม่ต้องไปทําก็รู้แล้วรู้เล ย, เลยไม่ต้องไปเดินก็รู้ไม่ต้องไปยืนก็รู้ไม่ต้องไปนั่งก็รู้ไม่ต้องไปนอนก็รู้เพราะว่ามันเข้าใจหมดแล้วมันเรื่องปัญญาจริงๆที่ไปเข้าใจมองเห็นไหมมันเป็นแบบนั้น ฉะนั้นเวลาเดินกลับมาแล้วถึงย้อนหลังได้ในการปฏิบัติเนี่ยหรือยังไม่ได้มันเคยไปไปแล้วสามารถเอาเรื่องที่เคยไปเนี่ยทบทวนได้ในขณะที่จะไปแล้วและในขณะที่ทำก็ได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นมันได้สามการเลยนะครับมันไม่ใช่การเดียวอย่างที่เราเข้าใจนะนี่เป็นแบบนี้นะครับโอเคโอเค นะา๊ะต